คิดถึงแม่พ่อไม่อยู่พ่อเสียไปแล้วเห ล, ลือแม่ย่อมแบนย่อมแบนก่อพาทั้งพ่อแล้วแม่เป็นอย่างนี้จริงนะคนที่ แม้แต่พระยังมีความรู้สึกนี่แต่ก่อนเ็าไม่ค่อยคิดอะไรแต่เอ๊พอพอกลับไปแล้วเอ๊พ่อไม่อยู่ที่มีความรู้สึกที่มันเหมือนขาดอะไรแบบนี้ <c oughs> เคยเป็นไหมัน <c oughs> ลูกเวลาก็คิดต่อเราก็น่าจะคิดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหม <c oughs> แ้วเรายังแข็งแรงยังดูไรดีลูกๆ ก, ก็คงจย คงยัมีความสุขไปเห็นว่าการได้ดูแลพ่อแม่ด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างที่แหวนได้ดูแลคุณยายกับตอนที่โยกดูแลแม่มันผิดกันเนยอะว่าเราไม่ไม่ยื้อนุญาตสเะปะสปัดแต่ว่าเห็นเขาแล้วว่าชื่นชมมาบอกให้อุณยางไว้ <laughs> ถ้าจะตายอยากให้อ ย, อย่างนี้ <laughs> <laughs> อยากให้ดูอย่างนี้คือร่างกายไม่เป็นไรแตู่เรื่องได้สร้างกุศลทุกวันได้ฟังได้อะไรอย่างนี้ เ, เรื่องนี้บางทีมันร้องขอไม่ได้ต้องสร้างเหตุปัจจัยต้องสร้างเหตุปัจจัยว่าทั้งหมดเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าเ ร, เราเข้าใจกระบวนการเหตุปัจจัยได้ครบไหมบางครั้งความอยากของเราความต้องการของเรา ไอกระแสะของความต้องการกระแสของความอยากกับกระแสของความจริงมันไปนลัทางกัน <c oughs> ใช่ไหมถ้าเราต้องการอยากจะให้เป็นแบบนี้แต่ความจริงก็เป็นอย่างที่เราเห็นไอความต้องการของเรากับความจริงที่มันเกิดขึ้นมันไปปะทากันไปกระทบกันขึ้มนมาความจริงมันก็เป็นความจริงแต่ความอยากมันก็คือความอยาก ทีนี้เมื่อความจริงมันเป็นไปตามความจริงนั้นนั้นความอยากไปกระทบกับความจริงเช่นอยากให้อากาศร้อนแต่ความจริงคืออากาศมันหนาวอยากยังไงมันก็ร้อนอยากยังไงมันก็หนาวนี่ความต้องการของเราเมื่อไม่สมหวังไอความต้องการก็เลยผิดหวังเคยเป็นไหมพอเลิดผิดหวังขอ้นมย ไอ้ความกระแสกับความอยากความต้องการมันเลยเป็นทุกข์เลยเพรฉะั้น <III> ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจต้องมาเรียนรู้เมื<ส>่อเมื่อช้าก็ยังคุยกันยองดีเรื่องเป็นเรื่องว่าความต้องการภาษาพร ะ, ะเขาเรียกตัญหาความอยากความต้องการ ถ้าความต้องการที่เป็นตันหาเนี่ยมันจะมีจุดหมายที่ตัวสุขเวทนาและมันต้องการอยากจะตอบสนองอัตราตัวตนมันมีอัตราตัวตนเป็นศูนย์กลางมันมาจากความไม่รู้นั้นถ้าเราต้องการอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราอยากจะ่เราอยู่กับใครเราก็อยากให้คนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยก็ตอบสนอง ตอบสนองอัตราตัวตวนให้เขาเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการใช่ไหมทีนี้ไอความจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงเขา็ขเป็นอย่างที่เขาเขาเป็นอยู่เองเนี้ยไปไปมาท่านหาก็เลยผิดหวัง <c oughs> ตอนต้องการก็ผิดหวังก็เลยเป็นทุกข์เลยใช่ไหมคุณแม่เยอะเท่าไหร่ แปดสิบสี่แปสิบห้ามีโรคประจาตัวไหมก็ไม่ค่อยมีเดินไม่ค่อยเท้าไม่ค่อยดึงแค่นั้นเท้าเท้าบิดบิดเดินไม่ค่อยได้แต่น้องลูกก็แข็งแรงดีใจไหมมั้งคะแม่ดีมหลายความรู้สึกมีความสึกจุดไหนก็ดีใจ คืออยากมาหาเขาก็ไาะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เราอยากจะมาจยากจะมาใช้เวลากับเขาบ้างมันตอบตอบแทนเขามาปฏิบัติเขาแต่บางทีรู้สึกว่าเขาก็อไม่ได้ดีใจจะไม่ไมไมมทราบว่าดีใจหรือเปล่าเขาไม่ได้บอก <laughs> เขาไม่ได้บอกแล้วก็บางทีเขาก็ ทำอะไรซึ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําไมทําไมยอมตั้งความหวังให้แม่ต้องเป็นอย่างไนใช่ทำไมไม่ด้วยไม่ทําไมแม่ตั้งความหวังว่าเราจะทําอย่างไรใช่ไหมเราอยากจะทําอย่างไรปฏิบัติอย่างไงแม่ก็ปฏิบัติอย่างนั้นเราก็น่าจะสุขใจกับสาี่เราด้วย จำเป็นเลยต้องไปตั้งความคาดหวงังว่าแม่ต้องเป็นอย่างนั้นไ ม, ไม่เป็นอย่างนี้นตัมาตันตัใช่ทุกวันทุกวันหนึ่งถ้าลูกตั้งความหวังอย่างนั้นจะโยมทั้งที่โยมก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ลูกเขาเยาว์ลูกก็จะผิดหวังนัโยมใช่ไหมเช่นอยากจะให้โยมเป็นอย่างที่เขาต้องการแต่โยมเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะโยมก็เป็นตองโยมตามธรรมชาติโยมใย่มใช่เขาก็เป็นเขาก็ต้อง เขาก็จะผิดหวังกันโยมอย่างนี้แล้วเมื่อลูกเขาไปเป็นแม่ไปเป็นพ่อเขาไปตั้งความหวังกับลูกอย่างนี้นหรือลูกไปตั้งความหวังกับแม่มันก็เลยถ่ายทอดความผิดหวังเป็นทอดท้องใช่ต อ, อใช่ใชแล้วมันก็ไม่จบเป็นเงไม่จบเใช่ใชเหมือน<ม>เหมือนถ้ายมอยากจะซื้อของดีๆมาให้แม่อยากจะตักน้ำให้แม่อยากจะมาปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้แม่ ย้ก็ทำเลยทำแล้วก็ให้มีความสุขการในท้องแม่อาจจะไม่กินน้ำก็ได้แม่อาจจะไม่กินยาที่เราซื้อมาให้ก็ได้แม่อาจจะไม่ใส่เสื้อผ้าที่เราซื้อมาให้ก็ได้แม่อาจจะไม่ยิ้มให้เราก็ได้อันนั้นไม่เห็นที่เราจะต้องมามามาทำไมต้องให้มีอิทธิพลกับความรู้สึกของเราด้วยทั้งนั้นเร า, เราน่าจะมีความสุขากัารได้ตักน้ามาสร้างให้เก่มีความสุขาการได้กว่ามาน มีความสุขกากการได้ซื้อเสื้อผ้ามาให้กัรมีความสุขจากการหายาของดีๆมาให้หน้าที่ของยมก็จบแล้วนี่ ย, ยมก็น่าจะมีความสุขกรกการได้ทำใช่ไหมในสิ่งที่ดีๆในฐานะที่ลูกคนคนหนึ่งที่ควรจะทำแต่ทีนี้แม่อาจจะยังไม่หิวนะ้แม่อาจจะไม่ชอบยาปราะเภทที่ยมซื้อมาให้แม่อาจจะไม่ชอบเสื้อผ้าที่ซื้อมาให้ก็ไม่เป็นไรยมก็กล้าที่บอกกับแม่ดิ บอกแม่หนูไม่ได้ไปตั้งความคาดหวังว่าแม่จะใช้หรือจะเป็นอย่างที่หนูต้องการต่อไปนี้หนูจะคาดหวังว่าหนูจะทำในสิ่งที่คิดว่ามันดีที่สุดให้กับแม่เสื้อผ้านี้ดีต่อแม่อาหารนี้ดีต่อแม่การจะทำอย่างนี้ดีต่อแม่ แต่วันนี้แม่อาจจะยังไม่รับความดีนะั้นหรือไม่เห็นตรงนั้นหนูก็จะไม่ทุกใจก็ไม่หนูจะมีความสุขจากการได้ทำและสักวันเนึ่นถ้าแม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์แม่จะใส่เมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่หนูชื่นใจที่หนูในฐานะเป็นลูกเนะี่ยที่อยู่ในท้องของคนแม่มาแเดือนกว่าหนแม่ได้ดูแลกระแสชีวิตของหนูให้หนูได้ออกมาใ่ไหมนั่นลืมตาดูโลก ในชีวิตคนคนนี้ยถ้าเติบเจริญ เ, เติบโตขึ้นมาได้ก็ก็เพราะได้เลือดเนื้อจากคุณแม่ได้ดื่มน้ำนมได้รับสิ่งที่ดีๆมาๆมากมายแค่นั้นพอแล้วในปัจจุบันในหนูไม่เรียกรองว่าแม่จะต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อหนูเห็นว่าอะไรมันเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่หนูจะทําแต่ถ้าแม่ยังไม่เห็นว่าสิ่งที่หนูทํามันเป็นประโยชน์หนูจะไม่ทุกใจกับมันหนูจะมีความสุขกับการไม่ทำ เนี่ย้าคิดอย่างนี้ได้ไหมยากมากบางทีมันแบบพยายามจะคิดว่าอย่างนี้แค่คิดว่าเราอาจารย์ไม่ได้ทาสิ่งนี้แม่เ <จะ S 3> ขาก็ยากมายเขาก็พูดอะไรซึ่งทาให้เราแบบบางทีซื้อของมาให้ด้วยความหวังว่ยากจะให้เขาเขาบอกซื้อมาทำไมไม่ต้องเอามาอีกแล้วแล้วบางทีที่เขาพูดก็ทําให้เราเสียใจ แ, แล้วก็บอกกับแม่บอกแม่เออแม่ แม่พูดอย่างนั้นน่ยหนูยอมรับในสิ่งที่แม่เป็นแต่หนูแม่ฟังหนูนิดนึงนะหรือไม่ฟังก็ได้ <c oughs> <c oughs> ใช่แต่หนูหนูหนูก็จะพูดอาจจะพูดฝากเขาไว้วันนี้แม่อาจจะไม่ไม่เก็ดแตอาจจะสิบปียี่สิบปีหรือหรือวันหนึ่ง แม่นอนอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้ตา ย, ตายแม่อาจจะคิดก็ได้ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แล้วก็บอกว่าเนี่ย mm hmm. ที่หนูซื้อมาหนูมีความรู้สึกว่าอยากจะทำในฐานะที่ลูกพึงจะทำต่อแม่ mm hmm. แต่ของสิ่งนี้อาจจะไม่ถูกใจแม่ mm hmm. อาจจะไม่ถูกใจแม่แต่ก็ไม่เป็นไรหนูมีความสุข จากการที่หนูได้ไปหาไปคิดแล้วคิดอีกหนูอาจจะไม่ไม่สามารถเข้าไปนั่งในใจแม่ได้คือไม่สามารถรู้องค์ประกอบทั้งหมดว่าคุณแม่ชอบอย่างไรหรือไม่ชอบอย่างไรอะไรที่มันจะเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่แต่หนูทาด้วยความกตัญญูรู้คุณด้วยความรักต่อคุณแม่ แม่อาจจะโยนทิ้งให้ใครเผาไฟหนูจะไม่ขัดคืนแต่หนูจะสุขใจที่ว่าซื้อมาแล้วให้คุณแม่ได้เห็นเพียงแม่ได้ดูแค่นี้หนูชื่นใจแล้วทำได้ไหมยากมา่จริงๆมันไม่ยากหรอกทำไงอ่ะท่านแบบ ม, ม, มาหาเขา พยายามธรรมดามาหาเขาปีละครั้งตอนนี้เ็าบอกว่าจะมาหาปีละสองครั้งเขาก็บอกมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะบอกเขาว่ายังไงก็บอกว่าก็อบอกเขาอย่างนี้หกวาแม่หนูมีศักยาภาพมีความสามารถที่จะมาได้แม่อาจจะอยากให้มาหรือไม่อยากให้มาอันนั้นก็เป็นความรู้สึกของแม่ หนูไม่ว่าหรอกแต่หนูมีความตั้งใจงอยากมาเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันสั้นนะแม่นะหนูก็อยากจะมาหาแม่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้อันนั้นคือเหตุผลถ้ามาแล้วแม่จะไล่หนูลงบ้านออกจากบ้านหนูก็ไม่ว่า ห, หนูชื่นใจที่ได้มาเห็นแม่พูดอย่างนี้ได้ไหม คุแม่คืออย่างนี้เข้าใจว่าบางครั้งเนยโยนโยนตั้งความรู้สึกคาดหวังมากไปหน่อยโยมก็ตัดความต้องการออกเลเพียงแค่ต้องการในขอบขายในความสามารถของเราที่จะทําได้ไหมคือหนึ่งเราต้องการที่จะมาสองเราต้องการที่ทําในสิ่งที่ดี สามก็คือเราต้องการมาเห็นมาดูแลแม่เอาความต้องการของเราอยู่ในบริเวณนี้ได้ไหมจากัดขอบเขตอย่าไปต้องการว่าแม่ต้องพูดกับเราอย่างนั้นแม่ต้องปฏิบัติต่อเราอย่างนั้นแม่ต้องมีความสื่อกับเราอย่างนั้นอันนั้นมันเกินขอบเขตของโยมโยมไปจัดการมากเกินไปไปจัดแกมมากเกินไปใช่ไหมใช่ ถ้าเรายอมลองลองลองปราศถนยให้อะตมานั่งร้องไห้ดิยอมทําได้นีมไม่ได้เพราะอะไรมันเกินความสามารถของโยมใช่ไหมถ้าลองเลืกให้ยอมแบนนั่งร้องไห้ไม่สามารถไม่สามารถเพราะมันมันเกินขอบเขตถ้ายอมแบนไม่ร้องไห้ยอมจะยอมจะร้องไห้ทาไมยอมต้องกำกับมันเป็นมันบางทีมันมันเลยความสามารถ แต่ถ้าโยมมีความสามารถค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ความสามารถมันได้แค่นี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เห็นที่ใช่ไั้ยอมรับมันที่โยมแต่ไม่ใชยอมจำนนนะที่พูดเนี่ยยอมรับได้ด้วยปัญญาเพื่อเอาปัญญาเข้าไปรู้ว่าเราสามารถที่จะมาหาแม่ได้เราสามารถที่จะซื้อของมาให้แม่ได้เราสามารถที่จะซื้อยาดูแลแม่ได้แต่เราไม่สามารถจะทาให้พ่อแม่ พอใจหรือไม่พอใจจนทนได้หรือไม่สามารถคอนโทรว่าแม่ต้องปฏิบัติกับฉันอย่างนี้ได้ก็ยอมรับมันเสียและยอมก็ทําความชื่นใจในความสามารถที่โยมมีก็แค่นี้แหละใช่ไหมมันหลักพื้นฐานง่ายๆแต่ถ้ายอมตั้งความรู้สึกหรือความเห็นบอกว่าฉันทําไม่ได้ฉันอยากให้แม่เป็นอย่างนี้ต้องจากการให้แม่เป็นอย่างนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันจะทําอย่างนี้สิ่งที่ดีทําแล้วทําไมแม่ไม่เห็น อันนั้นเกินความสามะัคเพราะความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นยมทำไมต้องไปปรุงแต่งในสิ่งที่มันไม่จริงแล้วก็มาชโลมใจตัวเองเลยอย่าหลอกตัวเองอยู่กับความจริงแล้วให้มีความสุขกับความจริงที่เราได้ก็แม่เป็นของแม่แบบนี้แล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นเป็นมานานแล้วเข้าใจไ ถ, ถ้าถ้าโยมและเลือกชาติได้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ร้อยชาติแล้ว แล้วศักยาภาพของโยมจะไปแก้ไขได้อย่างไรแต่ถ้าโยมอยากจะแก้ไขโยมทำได้เนื้อโยมพร้อมที่จะฝึกมั้ยมีวิธีการนะเอาไหมล่ะมีเวลาพอไหมล่ะถ้ามีเวลาพอโยมก็ตัดทุกอย่างแล้วพ้าอยู่ที่ไหนไปอยู่กับพ้าส3กสงาเดือนแล้วพ้าะจะบอกวิธีให้เจอไี่ล่ะมันต้องบอกต้องศึกษาทุกขั้นตอนเลยนะ แต่ถ้าศึกษาทุกขั้นตอนรู้ระบบมันเหมือนโยมศึกษาวิชาอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปศึกษาอย่างยมอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมรถใช่ไหมมันยอมก็ต้องไปศึกษาระบบของมันทั้งหมดแล้วก็ศษาแล้วจนรู้จนเข้าใจยมไปซ่อมได้จริงๆนะอันนี้ก็เหมือนกันมนุษย์เนี่ยถ้าเรารู้องค์ประกอบรู้องค์ประกอบกระบวนการความคิดของคุณแม่ เรารู้ว่าที่แม่คิดอย่างนี้มันม า, าจากเหตุปัจจัยอะไรองค์ประกอบอะไรเราไปแก้ไขที่องค์ประกอบนั้นเหตุปัจจัยนั้นมันแก้ได้หมดเลยโยมแต่ประเด็นว่าโ ย, ยมพร้อมที่จะไปศึกษามันไห ม, ไมแค่นั้นเองแต่ถ้าตอนเนี้ยมันรู้เพียงแค่นี้ใช่ไหมรู้ในขอบเขตที่เราสามารถจะปฏิบัติตัวเราเองได้ก็ทําในขอบเขตสามารถของที่เราทำได้แล้วเราก็มีความสุขกับมันเพีย่อย่างนี้จะดีกว่าไหมใช่ไหมคือ คือบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราสมาเข้าใจว่าความคิดลักษณะแบบนี้ยอมปรุงแต่งมานานแล้วและความน้อยเนื้อต่ำใจแบบนี้ยอมก็เป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นใช่ไหมละ่ะแล้วความคิดแบบนี้มันคิดจะตกผลึกแล้วจะยมมีความรู้สึกว่าไม่สามารถเมื่อกี้ฉันบอกว่าสมาบอกว่าัวโยมเทียบก็ทำอย่างนี้ได้ไหม คิดในขอบขายที่โยมที่จะทําได้จะบอกไม่สามารถอันนี้แปลว่าอะไรถ้าโยมคิดแบบเนี้คิดว่าถ้าฉันเอานี้ไปแม่น่าจะแสดงน้ำใจดีใจกับฉันอุตส่าห์มาหรือเอามาอย่างนี้แล้วเนี่ยติดต่อไปเนะี่ยเรามีเวลาจะมาปีละสองครั้งแม่ก็ต้องบอกโอ้โดีเหลือเกินลูกเอ้ยมาหาแม่สองครั้งสามครั้งโยมไปปรุงแต่งความคิดของแม่วิธีการของแม่พฤติกรรมของแม่ไว้หมดเลยใช่ทาไม ภาษ า, าพาก็บอกเล่นหลอกตัวเองทำไมอะ น, นั้นไม่ใช่ความจริงหนิใช่ไหมความจริงก็คือแม่ก็เป็นของแม่อยู่อย่างนี้เหตุผลมันมีนะที่ท่านเป็นอย่างนี้ก็เหมือนจะยมเป็นแบบนี้ที่จริงต่างกันไหมไม่ต่างหรอกแต่ันอยู่คนละบมนเนี้ยเยอมก็จะเป็นตองยอมอย่างนี้แม่บอกว่าไม่ต้องมาแต่ฉันจะมาใช่ไ้มนะมันมันยอมก็เป็นของยอมแบบนี้ แม่เอ๊ไม่อยากให้ลูกลำบากทําไมต้องลำบากมาดูแลเราลูกก็ต้องมีภาระต้องดูแลต้องทำงานต้องอะไรเยอะแยะนั่งเครื่องมาก็เยอะแยะลูกก็จะลำบากแต่เราก็ยังสามารถโทรติดต่อกันได้หรือไอ้ส่งข่าวถึงได้แม่อาจจะคิดมุมนี้ก็ได้อีกเยอะแยะหมดใช่ไหมล่ะครืออีกเยอะหมดที่เราไม่ไม่สามารถเข้าไปรู้หรอกกระบวนการความคิดของมนุษย์เนี่ยแต่เราจะคิดให้มันน้อยใจก็ได้ คิดให้มันทุกข์ใจก็ได้เช่นคิดว่าแม่ไม่รักเราแม่รักคนโน้นมากกว่าคนนี้มากกว่ากับเราเนี่ยแม่เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแม่สักแต่ว่าเราเป็นลูกแต่แม่ไม่เคยใส่ใจมันมันคิดได้หมดเลยพุ้งแต่งได้หมดเลยใช่ไหมคิดให้มันให้หนักกว่านี้ก็ได้ดีนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแม่ไม่กลัวติดคุกแม่คงฆ่าแล้วตั้งแต่เล็กแล้วคิดคิดได้หมดแหละจะจะคิดใช่ไหม มันอยู่ที่ว่าเราจะคิดแบบเพื่อบรรทุสลายตัตวเองไหมอะไรนะแต่จริงๆประเด็นที่ต้องการสื่อโยมก็คือว่าอยากให้โยมย้อนกลับมาแล้วตั้งตั้งสติเนาะตั้งสติระลึกถึงตนเองแล้วก็ไอ้คาว่ารักตัวเองรักตนเองแล้วก็คิดว่าโอ้อะไรที่เราอยากจะทำให้เป็นอง ทีนี้การทําให้คุณแม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ต้องทําออกมาทางกายกวาจาก็ได้ยอมแค่ทางใจก็ยินยมแล้วโยมลงนงั่งคิดตรงนี้ก็ได้เนี่ยเลื่นเลืกไปถึงคุณแม่น้องบอกว่าขอให้คุณแม่มีความสุขนี้ยอมทําให้คุณแม่อะไรนั่นเนี่ยขอให้คุณแม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวัง ขอให้คุณแม่ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขอให้คุณแม่เนี่ยจงมีกระแสชีวิตที่มีความสุขขอให้คุณแม่อย่าได้ไปเจอกับความทุกข์แม่ปราถนาสิ่งอะไรขอให้คุณแม่สมการฐนานอันเนี้แปลว่าทําให้แม่ได้ยังทําแล้วใช้ใจไงทําแล้วก็คิดปราถนาดีเพื่อประสบความสุขความเจริญอันเนี้คิดบ่อย การคิดในลักษณะนี้ชื่อว่าโยมเนี่ยใช้ใจของโยมยได้กระทาดีต่อคุณแม่เรียบร้อยไปแล้วแค่ไม่คิดโกรธคุณแม่ตั้งสมาทานวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเอาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความขัดเคืองใดๆที่มีต่อคุณแม่ทั้งหมดขอสละสิ่งเหล่านั้นทิ้งไมต่อไปจะคิดถึงแม่ทีไร จะคิดด้วยความรักด้วยความปาาาราถนาดีด้วยความเ อ, อื้อทอร์ขอให้คุณแม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีถึงเราจะอยู่ไกลขนาดไหนการที่เราทำสิ่งที่ดีนี่แหละคือการตอบแทนคุณของคุณแม่ถ้าเราทำอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ถามว่า ย, ยอมได้เกื้อกูลคุณแม่ไหมเกื้อกูลมากที่สุดเราเผลอเกื้อกูลตบกว่ามากกว่าคนที่อยู่ไกล้พออยู่ใกล้ก็<ม>ทบกระท่านกันตลอด กระทบกรทงังกันดยใช่ไหมแต่เราอยู่อย่างนี้เรากลับได้ใช้กระบวนการความคิดของเราเนี่ยในการคิดเกื้อกูลปรารถนาดีรักปรารถนาดีกระทาั่งโอ้ยเรากลับได้บุญมากที่สเห็นไหมมีวิธีต่้งเยอะแยะโดยชนิดที่ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อตัว๋วนั่งเครื่องบินอย่างลําบากแต่ว่าใช้กระบวนการความคิดมันก็ได้แล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้ยมันต้องผ่านจากการที่เรารู้และเข้าใจนะรู้และเข้าใจอย่างชัดแจ้งกตอนแล้ว่อ๋อ มันเกิดขึ้นจากการที่ไอคำว่ารักนแค่แล้วว่าอะไรเรียกว่าเรียกว่าเรารักษาตัวเองแล้วก็รักษาคุณแม่ใช่ไหมอ ะ, อะไรเรียกว่ารักษากันรักษาตนเองก็คือการที่ไม่ไม่ทําความหงุดหิดความโกรธหรือความคิดที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นกับตนเอง ความน้อยเนื้อต่ําใจความโกรธความโกดหถูท่อถอยไอตัวนี้แปลว่ารักทนรักษาตัวเองแล้วรักษาคุณแม่ทําไงการไม่คิดประทุษร้ายการไม่คิดอให้ให้ท่านวิบัติการคิดกรุณาท่านการุณาท่านว่าท่านเมียอายุมากแล้วขอให้ท่านจงอย่าได้ประสบความเจ็บป่วยเลย ขอให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้เกือ้อกุลท่านนี่การที่มีความรักมีความปรารถนามีความเมตตาต่อท่านอันนี้คือการคิดเกือ้อกูลมองเห็นนี่อย่างว่าโออการที่เราทําประโยชน์ท่านเนี่ยกับกับแม่เขาแม่เนี่ยมันทําได้สามทางหนึ่งทำทางกายปฏิบัติยังไงก็ว่าไปใช้กายของเราไปดูแลท่านปัดกวาดเช็ดถูนวดฟันดูแลตักน้ําให้กินอะไรให้กินหาข้าวให้กินเสื้อผ้าให้ สองเครือกูนทางวาจาพูดกับท่านด้วยด้ว ย, ด, วยด้วยคำที่น่ารักพูดเลยเวลาท่านปกติก็พูดด้วยเมตตาในยามที่ท่านท้อเหงาหงอยเศร้าซ้อยก็พูดด้วยกรุณาพูดให้ท่านมีกําลังใจในยามที่ท่านได้ดีมีสุขพูดส่งเสริมท่านอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมทางวาจาแต่ทั้งหมดเหล่าเนี้ยทั้งกายทางวาจาสู้ทางใจนี่แหล ทางใจที่เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็คิดปราถนาดีบุญกุศลที่ทำสิ่งดีๆที่หลายที่ทำเนี่ยที่เราทำนั้นน่ะก็น้อมสิ่งดีๆเหล่านี้ให้คุณแม่ขอคุณแม่พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้คุณแม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขอให้คุณแม่มีความสุขขอให้กระแสะชีวิตของคุณแมประสบแต่ความสุขดาเนินชีวิตไปตามเส้นทางที่ถูกต้องดีงาม ขอให้คุณแม่ได้ความสงบแห่งกายแห่งจิตนะขอให้คุณแม่ได้พบสิ่งที่ดีๆาการที่ทําสิ่งดีๆก็ระลึกให้คุณแม่นึกหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระก็ระลึกถึงให้คุณแม่หรือในขณะเดียวกันอยู่ว่างๆอย่างเงี้ยใจก็ น, น้อมนึกปรารถนาความรักปรารถนาอย่างเนี้ยก็ชื่อเราทำํำเห็นไหมมนุษย์มันทํากันได้ทั้งสามทางเลยแต่ถาม่ในสามทางเนี่ยอันไหนมีพลังมากกว่ากันทางใจมีพลังมากกว่า ใช่ไหมล่พะพอใจเป็นใหญ่เป็นประธานงั้นเราก็ฝึกจิตของเราให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงก็ น, นี่แหละระลึกเราก็จะเห็นชัดว่าโอ้เราจะบอกท่านก็ได้ไม่บอกท่านก็ได้บอกว่าแม่นี่วันนี้อยากจะคุยอยากจะบอกคุณแม่นะว่าหนูทําอะไรแต่ต้องทําก่อนนะบอกว่าเนี่ย หนูไม่ได้มาดูแลแม่ทางด้านกายไม่ได้มาตักน้ําให้มาซักผ้าให้มาปัดกวาดเช็ดถูไม่ได้ประคบประโงมไม่ให้ยาดูแลพาเดินไปนู้นไปนี้ทางกายเนี่ยหนูไม่ได้ทําเ ท, าท่าที่ควรอย่างทีท่ทางวาจาหนูไม่ได้มาพูดในยายามแม่ปกติพูดได้เมตตายามแม่ประสบปัญหาชีวิตพูดด้วยกรุณาอย่างที่แม่ได้ดิบได้ดีพูดด้วยความส่งเสริมหนูไม่ค่อยได้มีเวลาตรง แต่หนูทำทางใจนี่หนูคิดทุกวันนึ่ขอให้แม่ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขอให้แม่แข็งแรงขอให้แม่ประสบความสุขขอให้แม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้สิ่งที่ดีประสบสิ่งที่ดีแม่ปรารถนาสิ่งใดให้แม่สมปรารถนาสิ่งเหล่านี้หนูคิดตลอดนี่ถ้าเราทำได้อย่างนี้เบ็ดเสร็จปุ๊บแปลว่าเราเกื้อกูลแม่เนี่ยมันเกื้อกูลได้ทั้งสามทาง ทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้แม้ทางใจแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือทางใจใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนยอมเทียมนั่งอยู่ตรงหน้าข้านียอมแยกคิดตนอดฟังปุ๊บคิดคอยแม่มีความสุขคิดอย่างนี้ิชื่อว่าอะไรชื่อว่เพื่อกูลแม่ชื่อว่าเพื่อกูลแ ม, ลแม่แล้วก็ปรารถนาดีตรงนี้ทางใจที่เป็นนามธรรมที่เราคิดบ่อยๆบ่อยๆมีพลังไหมมี มันมีพลังเนาะถามว่าเมื่อเราคิดอย่างนี้แม่ไม่รู้อ่ะแม่ไม่รู้ไม่เห็นเป็นไรเลยอยากให้แม่รู้ก็บอกหรือหรือบางทีเนี่ย้วบอกว่าแม่แม่รู้ไหมทำไมหนูต้องทำความดีเพราะหนูรู้ว่ากระแสะชีวิตของหนูเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคนนี้ เมื่อหนูทำดีเนี่ยชื่อว่าหนูได้ทำสิ่งที่ดีงามในฐานะเป็นทายาทที่ดีนียหนูเป็นทายาที่ดีของคุณแม่หนูจึงต้องทำดีหนูต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หนูจึงดูแลลูกหนูจึงทำหน้าที่ขอความเป็นภรรยาอะไรก็ได้แต่เนี่ยัไงหนูที่ทำอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรหนูคิดถึงแหนูอยากจะทำสิ่งที่ดีๆให้ปรากฏ ว่ากระแสชีวิตส่วนหนึ่งที่เกิดจากคุณแม่ได้ทําสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้ให้กับสภาพสังคมสิ่งแวดแล้อมเห็นไหมเนี่ยสิ่งดีๆต่างๆนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราทําแต่ว่าเราได้เกื้อกูลไหมเกื้อกูลแม่นั่นเองท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงเป็นตอบเราอาจย่ำได้ทําให้เต็มที่แต่ทํากิจของท่านเราทำอยู่ดำรงวงตระกูลเรารักษาไว้ ทำตนให้เหมาะสมกับการเป็นทายาทลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าการทําหน้าที่ของความเป็นลูกเห็นไหยว่าจริงๆแล้วเราทาได้ทุกวันแล้วก็คิดได้ทุกเวลาการที่จะตอบแทนคุณของพ่อแม่เนี่ยแต่คนด้วยส่วนใหญ่ไปคิดว่าต้องไปหาแล้วก็น้ำไปให้เรียกว่าตอบแทนจริงไหมคนส่วนใหญ่เข้าใจแบบนั้นหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นคระยุ่งเลยนะเนี่ย ใชเอ้ยพระตอบแทนคุณของพ่อแม่ตอบแทนตรงไหนการตอบแทนคุณของพ่อแม่ก็คือในฐานะที่ว่าพระทําสิ่งที่มันดีที่สุดถ้ามองอย่างนี้ปุ๊บยอมเริ่มได้มุมเริ่มได้มุมไม่ใช่ว่าหนึ่งเกื้อกูลแม่ทางกายทางวาจาเราเกื้อกูลทางใจได้ทาได้ตลอดไหมทางใจแต่เพียงว่า ย, ยอมจะกล้าคิดไหม ถยอมคิดน้อยเนื้อต่ําใจายอยู่ยอมคิดไม่ได้นะความรู้สึกแบบนี้นไม่มีทางได้เลยมันมันมันติดมันตันหมดเลยนะแค่จะคิด ว, ว่าขอให้แม่ประสบความสมหวังยอมคิดแบบใจแห้งๆกันนั้นเองอ <c oughs> แต่ใจยอมไม่ชื่นบานหรอกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่าโยมวางท่าทีทางใจได้ปุ๊บแล้วมันรักจริงๆโดยชนิดที่ บางทียมยังหวังเลยยมตั้งความรู้สึกว่าอยากให้แม่พูดกับเราดีๆอยากจะให้แม่ทํากับเราให้ดีอย่างที่ยอมคิดเข้าไว้ในวารสเปคความคิดไว้การกระทำไว้อยากให้แม่รักเราเท่ากับรักพี่รักน้องที่แม่รักยอมตั้งความรู้สึกเองหมดเลยนะแบบนี้แล้วยอมก็ไปเขียน ความารู้สึกไว้ว่าถ้ารักเท่ากันต้องเป็นแบบนี้ยอมเขียนหมดแล้วยมยอมอยู่กับความเห็นของยมที่กำหนดไว้ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามข้อมูลตามสิ่งที่ยมควรจะเป็นแล้วยอมก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นแม่ควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็ น, Lindsay, นอย่างนี้ถ้ายอมได้สิ่งที่ปรึก ษ, ษาที่ไม่ถูกอีกยอมก็ได้ข้อมูลนี้รับรองตัวจริงจริงแม่ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยไม่น่าเป็นงนี้ ยอก็เลยประทับความลประทับตราตรงนั้นความรู้สึกตรงนั้นเอไว้แล้วยองก็มีความรู้สึกว่าแม่ลําเอียงใช่ไหมยอมก็จะต้องตั้งความรู้สึกแบบนี้อามาเป็นเด็กเด็กแต่ามาก็เห็นพี่พน้องค อ, อยจ้องมองพ่อแม่พอพ่ อ, พอแม่ทําอะไรผิดนิดนึงโอ้โหจะต้องออกมาลําเอียงแม่รักคนนั้นมากแล้วพี่น้องฉันก็นั่งขมในะตอนเป็นเด็กอะบางทีฉันก็ต้องมาถามพี่ถามน้องว่า แล้วอะไรเพียงแค่จะให้ของเนี่ยยังต้องคอยจ้องนะคอยจ้องว่าถ้าเอ็กเจ้าตัวเล็กเนี่ยพ่อแอบให้อะไรมากมกกว่านิดหน่อยโอ้โหเอาไปพูดท่านใหญ่ว่าเนี่ยพ่อลำเอียงเห็นชัดเลยแอบให้เวลาจะไปโรงเรียนยังแอบให้สตางค์มากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเนี่ยท่าก็ขาว่าเออเด็กคึกแปกมากเราเนี่ยเราถูกสอนมาไอ้คาว่าเสมอภาคเนี่ย เราไปถูกสอนว่าเอาตัววัตถุเป็นตัวตั้งใช่ไหมไอ้คำว่าเท่ากันเนี่ยเหมือนถ้ามีที่เนี่ย20ไร่เนี่ยอถ้ามีลูกสองคนมันก็ต้องคนละสิบไร่มันถึงจะเสมอภาคเราไปเอาวัตถุเป็นตัวเสมอภาคมันคนละเรื่องใช่ไหมล่ะแท้จริงเนี่ยเราถูกสอนกันในลักษณะอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรเสมอภาคในโลกนี้ได้เลย จานถ้าเกิดแบบมี20แล้วคนหนึ่งได้20อีกคนหนึ่งได้ศูนยน่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยก็ตรงนี้ไงเพราะเราไปเอาตัววัตถุเป็นตัวตั้งเข้าใจยังเพราะเราเอาเนี่ยเอาตัววัตถุก็ดีเอาตัวมันเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนเราจะให้ลูกเนี่ยคนละสิบบาทแล้วก็ถือว่าเนี่ยลูกแม่เนี่ยไม่ลำเอียงแล้วไปคิดกันอย่างนั้นไงทีนี้ ไอ้คาว่าไอ้คาว่าสมานนะเนี่ยสมานในฉันหรือสมานใตตาเดี๋ยวนี้เนี่ยก็แปลว่าเสมอในสุขเสมอในทุกขในที่เนี้ยศาสต์เนี้ยเขาแปลว่าร่วมสุขร่วมทุกไอ้คาว่าเสมอเขาไม่ได้เอาเสมอทางด้านวัตถุเหมือนที่ชาวโลกเขาเข้าใจกันนะภาษาของพระเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของ กลุ่มกับการว่าเสมอในสุขคำว่าไม่เลือกที่รักไม่ผับที่ชังเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกี่ยวกันในเรื่องของการเอาวัตถุเป็นตัวตั้งทำตัวเสมอต้นเสมอปลายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับการวัตถุเป็นที่ตั้งเขาพูดถึงในเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันที่มีการเชื่อมประสานยามมีความทุกข์ก็ร่วมกันแก้ไข แก้ปัญหาจากแกนว่าจะเอจะแก้ปัญหานี้ออกไปกันได้อย่างไรอยามีความสุขก็ร่วมประสานความสุขร่วมร่วมได้ความสุขด้วยกันแล้วก็พยายามรักษาให้ตนเองนั้ น, นได้ความสุขที่มันปราณีบและยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมทีนี้คนส่วนใหญ่ไปเอาตัววัตถุข้างนอกเป็นตัวตั้งถ้าถามจริงๆแล้วมีใครทําได้ไหม แค่ที่ดินเนี่ยราคามันก็ไม่เท่ากันแล้วมันไม่มีเท่ากันได้หรอกฉะนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอันนั้นก็ว่ากันไปเนี่ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยได้หลักการเนี่ยถ้าเอาตัววัตถุพอดีเอาตัวรูปธรรมเป็นตัวตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมันไม่มีจบเป็นถึงจะคํานวณเป๊ะกันกันอาดไหนที่สุดจริงๆมันก็ไม่พอใจกันอยู่ดีต้องมีลูกสักหลายหลายคน แัต้อเกลียดดูเป็นเรื่องเวลากันหมดเลยมีที่ห้าสิบไร่เอาคนละสิบห้าคนคนละสิบไร่อีกคนนึงได้ติดถนนอีกคนหนึง ไ, นนนหนงไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาเยอะหมดเพริ่มมองเห็นบ้างมั้หยหยังไม่เห็นเห็นตอนยี่สิบกระศูนเลเนาะไคือมันอย่างนี้ว่าอ่าอย่างยกตัวอย่างนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ให้เนี่ยไอ้สิ่งที่มันสําคัญที่สุดเกี่ยวกั บ, กบเรื่องเรื่องของ การเป็นอยู่ด้วยกันก็คือว่าประเด็นจริงๆมันให้อะไรมันเกี่ยวกันในเรื่องของความเกี่ยวกันเรื่องของข้อมูลความรู้หรือทัศนะความเห็นที่ถูกต้องไอ้ตรงเนี้ยถ้าเรามันปรับได้ไหมมันปรับดุลความเห็นได้ถูกต้องไหมไอ้ตรงนี้สำคัญที่สุดด้านด้านด้านสิ่งของข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องวัดแต่จริงอยู่นะว่าเมื่อด้านจิตใจเนี่ยมันถูก ปรับให้ดีแล้วให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยด้านข้างนอกมันมามาจัดแจงทีหลังมันมาจัดแจงทีหลังฉะนั้นเวลาเราตั้งความรู้สึกเหมือนโยมตั้งความรู้สึกว่าแท้ที่จริงเนี่ยโยมหลายคนเนี่ยไม่ได้ต้องการวัตถนะุไม่ได้ต้องการสรงนะั้นแต่ต้องการว่าให้แม่แสดงน้ำใจให้พ่อให้น้าใจไอ้ตรงนั้นทีนี้ น้ำใจที่แสดงออกมาเนี่ยเราไปตีค่าเป็นวัตถุเองถ้าเรามองว่าเออถามว่าเวลาแม่ดูแลชีวิตเรามาในยามที่เราเราร้องไห้ตอนดึกดึกที่จริงแม่จะนอนก็ได้ใช่ไหมแต่แม่ก็ต้องทิ้งความสุขของตนเองเพื่อขวนขวายลูกขึ้นมาดูลูก ไ อ, ไอ้ความรู้สึกที่ว่าแม่กล้าสละความสุขทิ้งเพื่อดูแลลูกประคบประงมให้กระแสชีวิตของลูกยืนยาวมาได้หรือเป็นอยู่ได้ได้มีการศึกษาเล่าเรียนอะไรก็แล้วแต่การให้สิ่งที่ดีที่สุดตามความรู้ความเข้าใจของคุณเองถามว่าไอ้สิ่งต่างๆตรงนั้นเน่ยมันเอาวัตถุมาแลกมันแลกไม่ได้หรอกไอ้ตัวตัวคุณ ตัวคุณธรรมของความเป็นแม่ที่ได้ปฏิบัติต่อลูกมาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเลยถามว่าเราจะเอาวัตถุอะไรม า, ม า, ม า, มาเป็นค่าบ่งบอกว่าจากการที่เขาดูแลเหมือนยอมเคยมีลูกกันนั้งหมดยอมก็ต้องรู้ว่าเวลาเด็กถือปฏิสนธิในท้องแล้วยอมมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ปฏิบัติยังไงทำจะต่างอะไรทันโดยสัญชาติยานข อ, ของความเป็นแม่ ถามว่าไอ้อย่างเนี้ยถ้าบอกว่าเราคลอดออกมาจากแล้วเนี่ยจากท้องของแม่แล้วเนี่ยแม่ให้ชีวิตเรามาอย่างมากมายให้สิ่งดีๆอีกมากมายซึ่งเราไม่ค่อยค่อยอยากจะคิดกันพอวันดีคืนดีมันโตขึ้นมาไอ้เจ้าเด็กคนเนี้ยมันบอกว่าแม่รักน้อยถ้าจะรักมากแม่ต้องให้เป็นซับออกมาให้เห็น ม, มันไปแล้วเนี้ยมันมันมันลืลืมแล้วเด็กคนนี้ลืมแล้วจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ถามว่ากระแสชีวิตที่ที่ถูกประคับประงมเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้ข้อมูลความรู้ฝึกให้เด็กคนนี้ทั้งได้ทั้งพฤติกรรมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านปัญญาทั้งหลายที่แม่ให้มาเราจะไปหาอีกเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมไอ้ที่ทางก็ดีหรือทรัพอะไรก็เรื่ มันก็คือได้มาจากฐานที่แม่ให้มาข้อมูลจากเดิมๆที่แม่ใหมาทั้งหมดมันตีเป็นค่าไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วแต่มนุษย์เราเนี่ยมันไม่พอตันหาของเรามันไม่พอเมื่อแม่หรือพ่อไปให้คนนั้นทางนั้นพอบอกว่าเราเป็นศูนย์อย่างเมื่อสักครู่นี้<ม>เราไม่พอใจขึ้นมาแล้ว ท, ทั้งๆ้ที่ศักยภาพที่พ่อแม่ใหมาชีวิตที่ใหมาเลยไปหาได้มากกว่านั้นก็ได้ แต่เพียงแค่เห็นตรงเนี้ย ม, มันมันมันน้อยกว่านิดนึงแค่นั้นเราไปโกรธโวนคิดตลอดเลยตรงนี้ว่าแม่รักเราน้องหรือลาเอียงขึ้นมาสแสดงว่าพ่อแม่รักอีกคนหนึ่งมากเราไปเราไปคิดแทนท่านหมดเลยใช่ไหมไปคิดแทนท่านหมดเลยอย่างมอสโกนี่คนหนึ่งยี่สิบไรคนนึ่งว่าศูนย์แต่เราถามว่าชีวิตเนี่ยชีวิตที่ได้มาถามว่า กับการที่การที่ไม่ได้อะไรเลยนะี่ที่มันเป็นวัตถุข้างนอกที่ดินกับชีวิตอะไรเป็นสํคาคัญโดยการบ้านกับชีวิตอะไรเป็นสํคาคัญโดยการทรัพย์กับชีวิตอะไรเป็นสํคาคัญโดยการจริงไหมแต่ชีวิตที่ใครให้เราเอาแม่ให้แค่นี้ไม่พอไม่พอพอ ไ, ม ไ, ไหมเอ่ย หรอไม่พออยู่ดีถามยอมแล้วถึงการ้มคนว่ไม่ใช่เมื่อกี้ยอมตั้งประเด็นน่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตสําคัญที่สุดยังไงที่จะพูดพสำคัญสุดคัญที่สุดเหมือนที่มีครั้างหนึ่งคนไปแย่งน้ำนํำกันญาติๆกันจะฆ่ากันเพราะแย่งน้ําเจ้าก็ถามว่าน้ํามีค่าเท่าไหร่น้ำเนี่ยมีค่าเท่าไหร่คิดดูที่ มีค่ากับกี่คนกันนะโอ้โหน้ําต่อให้มากมายขนาดไหนชีวิตคนคนหนึ่งต้องมีค่ามากเลแล้วก็ที่ยี่สิบได้มีค่าเท่าไหร่ชีวิตที่ได้มามีค่าเท่าไหร่แค่นี้ก็คนเข้าใจแล้วหรือไม่เข้าใจยัง ใ, ใช้เวลาอาจารย์ท่านคะใช่โยมที่ไหนได้ไหมอาจาร่า ถ้า แ, แม่เขามีลูกสองคนแล้วคนหนึ่งเนี่ยปัญญาอ่อนคนหนึ่งปัญญาดีการที่จะให้ของกับคนปัญญาอ่อนก็ให้เยอะมากกว่าเพราะเขาช่วยกับเองไม่ได้กับคนปัญญาดีให้เขาน้อยกว่าเพราะว่าคิดว่าเขามีปัญญาที่จะไปหาเองได้อันนี้เป็นการคิดถูกหรือไมถ่ถูกอ๋อมันคือคือจริงๆเนี่ยมันแล้วแต่มุมนะ คือประเด็นของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาก็คิดไปตามข้อมูลความรู้ของเขา <c ười> <c ười> เขา้เขาที่เขาคิดได้แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าถามว่าชีวิตของเราที่ได้มาเนี่ยมันมีค่าไหมนะถามตรงนี้ก่อนเลยและมันมีค่าเท่าไหร่ไปตีราคาก่อนมันมีค่าเท่าไหรนะ่และชีวิตเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่แล้วค่อยไ ป, ไปวัดกับจานวนที่กันอีกทีนึง ทีนี้ทีนี้ถ้าแม่เนี่ยตัดสินใจเนี่ยนะมันเหมือนอย่างนี้ว่าไม่ต้องอะไรเลยมันมันเป็นเสื้อผ้าของแม่ท่านยึดถือว่าเป็นของท่า น, นทีนี้มันสิทธิเนี่ยนะมันเป็นเป็นความรู้สึกการว่าท่านจะเอาไปให้ใคร เ, เราในเวลาเป็นลูกเนี่ยโดยมากเราอยากจะจัดแจง เหมือ น, นเอามารู้จักกยมแหวนพอรู้จักแล้วเนี่ยก็แค่รู้จักก็น่าจะพอใช่ไหมแต่พอเริ่มรู้จักคุ้นเคยมากเข้าพอ ร, รู้ว่าโยมแหวนเอาเงินไปให้ตรงนั้นตรงนี้มาอามาเริ่มเริ่มทุกใจเ <c oughs> นี่ยมันมันมันเข้าใจอย่างเดยวนี้ย <c oughs> คนเนี่ยโดยมากเป็นแบบนี้กันเต็มไปหมดแหละอามาบอกว่ายอมแหวนต้องรู้จักนะให้คนนั้นต้อง ตรงควาเน้นคน น, นนี้เท่นานี้ทำไมก็จะไปอยากจะไปจัดแจงทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เป็นสมบัติของยมเหรนี่เหมือนกันเราเป็นลูกเนี่ยคือเราไม่คือถ้าเขาต้องการจะให้ใครยังไงเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไป ค, คือประเด็นเนี่ยถ้าสิทธิทั้ทงกฎหมายมันว่ากันได้หมดแลหละมันเขียนกันขึ้นไงยมต้องการบอกว่า ม, มันเกิดขึ้นด้วยกําลังบุญของแม่ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเราเนี้ย ก็ถ้าแม่อยากอยากให้ใครก็ก็สบายใจกับแม่สิ mm hmm. mm hmm. ถ้าบุญมันเกิดขึ้นจากเราเนี่ยสมมุตินะอยอมไปทําอะไรมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกําลังบุญกําลังความสามารถของโยมนะถ้าเราอยากจะไปให้ใครถ้าแม่ไปขัดขวางแม่ก็ผิดหน้าที่เหมือนกัน mm hmm. เพราะมันเกิดขึ้นด้วยกําลังบุญของของของโยมเองแต่ถ้า เราจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้มันมันมันมั น, ม, นมันเป็นเรื่องสิทธิของคนคนนั้นแล้วเขา้าใจยังคําว่าสิทธิในที่นี้ไม่ใช่กฎหมายแต่มันเป็นสิทธิตามกําลังบุญของเขาเข้าใจไหมเนี่ยมันเหมือนทรัพย์สมบัติของคุณพ่อคุณแม่ของยอมแหวนคุณพ่อคุณแม่ของยอมบีเนี่ยเขาจะไม่ให้ยอมก็ได้ก็กําลังบุญโยมมีแค่นี้อ่ะยอมไปเรียกร้องอะไร ใช่ไหมล่ะเขาจะให้ร้อยหนึง่งมันก็เป็นกําลังบุญของเขาที่เขาจะจะให้เราเราอย่าไปอย่าอย่าไปถือตามกฎหมายนะกฎหมายมันเขียนที่หลังแต่กําลังบุญท่านจะเอาไปบริจาคทั้งหมดก็ไ ด, ก ด, ด้เป็นเรื่องของท่านท่านจะให้ภาครัฐทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของท่านเพราะมันเป็นกําลังบุญของท่านที่ท่านได้มาท่านทํามาเข้าใจยังตัวเนี้ย อย่าไปเอากฎหมายมาคุยกันงั้นมันไม่จบแต่ให้คุยกําลังบุญของเขาับ ม, ม, มันเกิดขึ้นด้บุญของเขาเราเาาขนคนส้งมทั้งในอดีตตชาติและปัจจุบันชาติที่เขาทํามาเขามีสิทธิ์ครอบครองเขาจะให้ใครก็ได้แต่เราไม่พอใจเนี่ยเราไปเ<อ>ขาเรียกว่าไปกำลัง ไ, ไปกํากับหรือไปอยากและไม่อยากในบุญของเขาในกําลังกุศลของเขา ก็ต้ให้ชีวิตเราแล้วที่จะพูดเนี่ยที่เหลือจากนั้นเนี่ยจะเป็นบ้านเป็นทรัพย์เป็นเงินทั้งหลายเขาจะไม่ให้เราสักบาทก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่เราจะโกรธเขาก็ได้เหมือนกันแต่เราก็ได้บาปไปไงจะโกรธหรือไม่โกรธเนี่ย เริ่มเริ่มจะมองเห็นบ้างนิดนึงเนี่ยมันมันเป็นวิธีการคิดแบบที่เราไม่เคยโดนสอนมาให้คิดก็อันนี้วิธีนี้มันเป็นไปตามธรรมะธรรมชาติมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนี้เองทุกยุคทุกสมัยมันเป็นของเก่ามันเป็นอย่างนี้แต่ในบ้านนั้นที่นั้นน่ะเขาจะมาเขียนกฎหมายกันยังไงต่อสู้กันยังไงกติกายังไงแล้วก็ไปยึดข้อสมมุติที่เขียนกันมาใหม่เนี่ยมันก็เลยไปทําลายหลักการของของธรรมะ หลักการของความที่ถูกต้องเหมือนโยมเนี่ยวันดีคืนดีกําลังบุญของโยมโยมได้ทรัพย์ประมาณพันล้านสมมุตินี้แม่มาจาัดแจงลูกต้องอย่างไงอย่างเงี้ยไม่ได้แม่จะทํายังไงก็ทําไปสิแต่ถ้าเราจะเห็นด้วยเราจะให้ก็ได้ทําตามแม่ก็ได้ไม่ทําตามแม่ก็ได้เพราะเป็นกําลังบุญของโยมเองล้วนๆหรือเขา้าใจอย่างหนึ่ง นี่ยจะได้รู้ว่าเอาแค่เป็นถ้าเป็นสมบัติของโยมจะโยมจะไม่ให้แม่ก็ได้มันอยู่ที่จิตสํานึกของโยมต่างหากแม่ก็เหมือนกันอยู่ที่จิตสํานึกของแม่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นี่เราเป็นล่วงล้ําจิตสํานึกท่านเลยว่าท่านต้องอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ายุติธรรมถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่ายุติธรรมจริงไหมล่ะ <laughs> <laughs> ยังคานในใจนิดน <laughs> เราไปไปคิดกันอย่างนั้นจริงๆถึงบอกว่าเรื่องนี้ต้องค่อยๆแกะประเด็นไปแล้วก็ให้รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะความเห็นมันเป็นอย่างนี้นะกฎสมมุติมันเป็นอย่างนี้นะทีนี้พอไปวางกฎสมมุติว่าทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ต้องตกเป็นของลูกอันนี้ไม่ใช่ความจริงอันนี้เป็นกฎสมมติที่เขียนไว้ว่าผู้สื่อทอดสันดานตามกฎหมายภาษากฎหมายใช้คาว่าสื่อทอดสันดาน มีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของลูกเออของพ่อแม่ทีนี้แล้วถ้าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกไว้ต้องขึ้นฟ้องร้องเลย อ, อันนั้นมันส ม, มมุติสมมุตินี่ใครเขียนขึ้นกัมนมุษย์ปัจจุบันนี่แหละเขียนขึ้นเขียนขึ้นโดยจิตโดยสมามัญสำนึกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นทรัพย์นั้นจะได้ไม่ถูกกระจายไปทางอื่นเพราะพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้ระบุไว้แต่ถ้าส่วนใด ที่พ่อแม่ระบุไว้กฎหมายไปไถึงเลยเห็นไหมเพราะอะไรมันเป็นกำลังบุญของเขามันได้มาเพื่อกำลังบุญของเขาเขาจะาไปเลี้ยงสุนัขก็ได้ถ้าเราคิดอย่างเราก็พ่อแม่ใช้ไม่ได้เห็นสุนัขดีกว่าฉันมันก็มีนะเจ้าค่ะก็คิดไงไม่เอาไปให้สุนัข ม, ม, มีมีจริงๆมีจริง ๆ, งๆแต่ลูกเนี่ยก็คิดได้แต่ว่า ทำไมทำไมเราไปร่วงล้ำบุญน้องแม่ทรัพสมบัติแม่บอกแม่สิแม่จ๋าบอกทรัพย์สมบัติทั้งหมดมันเกิดขึ้นด้วยกําลังบุญของแม่หนูเข้าใจแล้วแต่ก่อนหนูไม่เข้าใจต้องพูดอย่างนี้เลยนะนะแม่จักให้ไขจักเอาไปเจริญกุศลไปทำอะไรแม่ทำเ ถ, ถอะหนูอัมโมธนะ แค่หนูได้ชีวิตมานี่มีค่ากว่าทั้นเยอะหนูจะไม่ไปจะไม่เอาความคิดลักษณะแบบนี้เป็นปมด้อยในชีวิตของหนูอีกต่อไปจะไม่ให้สิ่งเพียงแค่นี้ขัดขวางทําให้หนูลักแม่น้อยลงใช่ไหมออยังไงยังไงก็เป็นสิทธิของแม่เต็มที่แต่ก่อนหนูคิดเคืองอยู่นิดเดียว่แม่น่าจะแบ่งให้เท่ากาันทั้งๆ ท, ที่หนูไม่ได้ต้องการทรัพย์หรอกเพราะหนูคิดว่ามันน่าจะยุติธรรมอย่างนี้ แล้วก็บอกแม่เลยหนูเข้าใจแล้วมันเป็นกำลังบุญของแม่หนูหนูไม่เห็นต้องไปจัดแจงอะไรกับแม่ตรงนั้นเลยแม่จะเอาไปทําอะไรก็เป็นสิทธิของแม่โดยตรงเลยนะจริงๆแล้วที่หนูเนี่ยเกิดความคิดในสมบัติของแม่ในทางที่มันไม่ถูกไปกํากับว่าแม่ควรให้ชั้นเท่านั้นให้พี่เท่านั้นให้น้องเท่านั้นให้คนนั้นเท่านั้นถ้ากรณีอย่างเนี้ยแม่ถึงจะเป็นคนยุติธรรม เราไปคิดเองหมดเลยนะเนี่ยก็น้อยใจมีความรู oh, ้สึกเขาไม่รักเราเลยเขาเขาให้คนอื่นยี่สิบไลให้เราไม่ไม่ให้เราเลยโอ้แค่พี่เองตอนนี้เข้าใจยังเข้าใจแล้ว่าพยายามพยายามจะเข้าใจจริงคือคือเจ้าเขาบอกว่าไม่ให้เลยทั้งสองคน อันนั้นทำใจได้นะคะอันนั้นเขาอันนั้นทำใจได้เคยบอกเขาด้วยว่าถ้าแม่จะไม่ให้อะไรเลยเข้าใจไม่ต้องให้ก็ได้แต่แต่ตอนหลังแม่ให้เขา20ไร่เราไม่ให้เราให้พี่20ไล่ไม่ใช่เครื่องแค่20ไร่ที่แหละไม่มีความรู้สึกว่าเขาเขาไม่รักเราเลยหรือไงทําไมเขาไม่ไม่เกี่ยวอย่าเอาพวกวัตถุมาเป็นตัวตั้งวัตถุไม่ใช่ก็แทนแทนในความรักเสมอไป ใช่ไหมล่ะถามว่ามีคนให้วัตถุเราคนมากมายแต่เขาไม่ได้ให้ด้วยความรักอะไรยเยอะมากจช่ไหมล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้งบอกว่าเราต้องวางท่าทีทางใจว่าสมบัติของใครกำลังกุศลของใครใช ม, มันเหมือนโอ้โหท่านนั้นแต่ละวันน่าคิดเยอะมากเยูยแต่ละวันนี่นะ มันจะคิดให้มากกว่านี้ก็ได้นะว่าโอ้โหแม่ลําเอียง ม, มากๆเลยคิดได้เลยนะี่เดี๋ยวแม่มีเงินนิดหน่อยให้คนใช้คนนั้นให้ให้คนอื่นอีกเยอะแยะหมดที่ไม่ได้เคยให้เราเลยโอ้โหคิดมันน่าช่อมใจมากเลยนะช่ำใจใช่ไห <laughs> ามาเห็นไหมเราไปคิดอย่างงี้แพทที่จริงเนี่ยมันคนละประเด็นบางทีถ้าไปคุยกับ แม่จริงๆบางที่ยแม่ก็มีความคิดอะไรอีกเยอะแล้วก็บางครั้งเนี่ยบางครั้งเหมือนที่ประเด็นที่โยมบีพูดมันยังมีฉีดประเด็นได้อีกเยอะว่าบางครั้งไม่ต้องอะไรหรอกว่าแม่เนี่ยเห็นลูกคนไหนเข้มแข็งแม่อาจจะไม่ค่อยให้ของคนนั้น เพรอีคนนี้ยตัวร้อนถ้มองงั้นจริงบางทีผู้ใหญ่มองเอ๊อีเจ้านี้มันเข้มแข็งไม่ต้องให้อะไรมันเพราะอะไรเราให้ชีวิตให้ข้อมูลความรู้กระตุกมันจนกลายเป็นคนแข็งแรงเข้มแข็งแล้วมันชุบพึ่งตัวเองได้แต่อีเจ้าเนี้เลี้ยงไม่โตทุกข์ใจกับไอคนนี้อยู่นั่นแหละนึกถึงคนนี้จะได้สบายใจแล้วโหมันโลดแล่นมันไปได้มีวิชาคีบปัญหากินเองได้โอ้โหมันเข้มแข็ง แต่คนนี้ง่อยเพียเสียขาให้เัอะไรก็ไม่ไม่โตสักทีใช่ไหมทาไมโยไม่มองมุมนี้บ้า ง, งคิดเพราะไม่มองโอ้โ oh, ห oh, แสดงว่าเราเป็นคนที่แม่เนี่ยมั่นใจในตัวเราว่าเราเนี่ยเข้มแข็งรีอยังอย่างได้ยี่สิบไร่อยู่ดี <laughs> <c oughs> <c oughs> แค่นั้นแหละแต่ก็จริงนะเจ้าค่ะองคิดว่าแม่คิดว่าเปียเป็นเข้มแข็งช่วยตัวช่วยตัวเองได้ แต่แต่พี่เออนี่ยอยู่ใกล้แล้วก็เห็นว่าอ่อนแอว่าอ่อนแอมันเยอะแยะหมดแต่พ่อเราไม่รู้องค์ประกอบทั้งหมดเท่าที่พูดไงถ้าเรารู้องค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้เราไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเหตุที่เรารู้ได้ไม่ทั่วรู้ได้ไม่ชัดรู้ได้ไม่รอบรู้ได้ไม่ลึกรู้ได้แง่ใดมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็เอาความรู้มาเป็นความเห็นมาเป็นความเห็นของเราเมื่อความเห็นของเราตกลงก็กลายเป็นคิดแบบนี้ตลอด ก็ไม่สามารถโดดออกจากล่องความเห็นตรงนี้ได้มันก็เลยจมอยู่อความเห็นแบบนี้และทำร้ายตัวเองตลอดเลยก็เลยกลายเป็นคนไม่รักตัวเองเดียดเบียนตัวเองด้วยความคิดถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็โดดออกมานึกทีไรโอ้โหเราคนเข้มแข็งใช่หเราเปจนิงได้สิบห้า จ้าอะไรก็ยังอยากได้อีกไม่หา่ายเล่าล้อล่าล้อเล่าล้อเนี่ยเอามามีอยู่ห้าไล่ไปเอาไหมให้เลยเนี่พอดีเนี่ยมาทำปีนี้ให้น้องทำนา แล้วก็ให้เาปลุกข้าวให้แ่เอาเลยฉันให้เลยเอาไละจะได้ไม่ต้องม้อยเนื้อต่ำใจเอาไหมเดี๋ยวให้โอนให้เลยยอบไยอมขอจ้ามัน่่ไปันขอจะได้ไม่ต้องมานั่งน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็ไปบอกกับแม่ว่าพากให้กันแล้วเลยดีไหม บอกแม่หายน้อ ย, จ ย, อยใจแล้วพอพรงให้แล้วอะไรแต่ปัญหานี้มันเป็นปัญหาของครอบครัวเรียกว่าแทบจะทุกข้ อ, ขอไม่เป็นไรเอาครอบครัวเราก่อน <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งคิดถึงเอาตัวรอดก่อน <c oughs> จริงไห <c oughs> อพอเรารอดแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยไปช่วยครอบครัวอีกเนยแต่ยังเจออีกเยอะ <c oughs> อยู่กลาง้างวัดก็มี เสียดายเพราะจาะมีแค่ห้าเมื่อกี้จะแจกอีกแล้วน้อยไปหน่อยมีแค่ห้าแล้วครัทำข้าวได้ปลูกข้าวได้ทั้งอามาสีได้ได้สามถุงถุงละ5้กิโลเนี่ยจะแจกเขาในช่วงนี้กำลังให้เขาจุถุงแจกพร้อมกับผ้าที่โยมแหวนด้วยว่าจะเคลนไปเมื่อไหร่คะเดี๋ยวก็ต้องเดินนะครับ พอมองเห็นอี่ยังว่าจริงๆแล้วในบางทีมันอยู่ที่กระบวนการการที่เราคิดอย่าสุดโตง่งความคิดแบบนี้ก็กสุดโตง่งสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งไปสุดโต่งด้านน้แม่ไมละสุดโต่งทั้งด้านน้งแม่ลำ เ, เอียงมันก็เลยสุดโต่งไปนี้ เ, เลยแล้วมัก็หมุนไม่ลักหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งพอวนเนี่ยแม่ลำเอียงลำเอียงลำเอียงอย่างเงี้ย พอคิดได้ถึงหนึ่งแสนครั้งหนึ่งล้านครั้งขึ้นมาแปลว่าความคิดเองนี้ตกผลิตพอตกผลิตขึ้นมาเนี่ยพระชี้อย่างไรก็ไม่เห็นเลยทั้เพราะอะไรตกผลิตความเห็นตัวนี้แล้วก็ยึดมั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตอบฝาลงตูงก็ไปแล้วใช่ปิดประตูว่าแม่เป็นอย่างนี้เท่านั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นแน่นอนไปถามใครใครก็ตอบอย่างนี้หมดเลยว่าแม่ลำเอียงตั้งยี่สิบไรไม่ให้เราเลยไม่แต่ไรเดีเยด ใชไ่ไปตอิย้ิยานี้่างนี้ฉันจะยังยกตัวอย่างชีวิตกับดินเทียบกันไม่ได้ใช่ไชีวิตมีค่าเท่าไหร่พื้นเป็นดินนั้นมีค่าเท่าไหร่อาจจะไปขายได้ก็ยี่สิบล้านไร่ละล้านฉันบอกว่าชีวิตของยมฉันซื้อยี่สิบล้านยอมไหมฉันได้ไหมให้ได้ไหม ฉัจะเอาไปทำอะไรก็ได้เอาชีวิตนะฉันซืะนะ้อ20อย่างไม่ได้เพราะชีวิตมีค่ามากก่านนีะ้แล้วชีวิตที่มีค่าเล่านี้ใครเป็นคนให้มาขนาดนี้ยังมีเราแม่เราเมียังอยู่เลยน่าจะสักข้าไล่อยู่ดีเนี่ยนะโอ้โหกินอะไรแอ่นี้เองแล้วมองเห็นเมื่อจริงๆก็มองมองให้รอบมองให้ชัด ว่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่แหละ ม, ม, มันเรื่องความเห็น<ช>ที่เราไปยึดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เรียบร้อยไปแล้วก็ทําลายไปเลยใช้ปัญญาไปทําลายไปเลแล้วก็เปิดเปิ ด, ปดกระบวนการความคิดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปรู้ความจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแล้วมันพอถ้าเรามีทัศนคติอย่างนี้เชื่อไหมว่าพอเรา บอกเรื่องนี้ให้กับคนที่อ่อนอ่อนด้อยทั้งด้านเหตุผลเขาเชื่อไปเลยเช่นบอกกับลูกบอกกับใครก็ได้แต่ลูกก็ดีเพื่อนก็ดีหรือใครก็ดีก็น้องไปที่แม่ก็มีทัศนคติกับแม่ว่าแม่ลำเอียงมันมันไปทั่วเลยนะแต่นี้ทั้งทั้งที่ลึกๆจริงๆท่านท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยท่านอย่างที่เราคิดได้แค่มุมเดียวท่านอาจจะมองว่าอยอมเทียบแข่งอะไร ว่าพี่เขมแข็งมากกว่าฉลาดมากกว่าความสามารถมากกว่าแล้วก็มีศักยภาพหรือมีอะไรมีจุดเด่นมากกว่าซึ่งท่านมองมาตั้งแต่เล็กเขีนว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพมากมคือคือเขามองอย่างนี้มาตั้งเยอะๆอีกเยอะหมดที่แม่ไม่ได้พูดออกมาใช่ไหมแม่อาจจะพูดไม่เป็นสื่อสารไม่เป็นอะไรอีกเยอะมากแต่ท่านต้องคิดสาระต่หมดแล้ว่าไอ้เจ้าคนนี้เอาตัวรอด แต่ส่วนนี้กับไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเพราะเรามองไม่เห็นแต่ถ้าวันนี้เรามองเห็นแล้วเราต้องขอบคุณโอ้โหม่ขอบคุณแม่ทมี่แม่ทำอย่างนี้ให้ดูเราจะได้รู้ว่าโอ้แท้ที่จริงเราเป็นคนมีสติปัญมีความสามารถที่เดแม่มองตรงนี้นั้นถ้าเรามองอี่างนี้เราก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที แต่จริงๆมันเรื่องของความรู้สึกเราอยากให้แม่ตอบสนองความต้องการเราตรง น, นั้นไม่ใช่เรื่องที่อยากให้แม่ตอบสนองความต้องการของเราและและถึงแม้มาแบ่งให้คนละสิบเล่าแต่มันไม่สามารถถ้าความรู้สึกตรงนี้ไม่ถูกแก้ด้วยปัญญามันก็ไม่สามารถเติมเต็มได้แค่แม่พูดไม่ดีเราก็กลับไปคิดอีกใช่ <S <S <S <S แค่แม่พูดไม่ถูกใจเราแล้วก็กลับไปคิดอีกแค่แม่บอกว่าไม่มาเลยตั้งปีละสองสามครัง้งแล้วก็กลับไปคิดอีกมันจะคิดรันไปทั่วที่สุดจริงๆมันก็หาคำว่าพอดีไม่เจอใช่ไหมถาหาคำว่าพอดีในในในกระบวนการความคิดเราไม่เจออยู่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้แก้เรื่องมันเขาไม่ได้ไปแก้ข้างนอกเลยที่จริงมันเรื่องความคิดลวด้วนๆเมื่อวันใดวันหนึ่งยง จะปรับความคิดได้ถูกแล้วก็มีปัญญาเป็นตัวนําความคิดความคิดไม่ติดตันมันมันเป็นอิสระเสรีภาพเมื่อไหร่ปุ๊บก็มีความสุขแล้วก็จะมองโลกมองโลกกระทัดตามความเป็นจริงมองชีวิตตามความเป็นจริงมองแม่ตามตามความเป็นจริงแล้วก็มองแม่ตามอย่างที่แม่เป็นไม่ได้มองแม่ตามใจที่เราอยากให้ท่านเป็นใช่ ใช่ไหมอย่างนี้เขาเป็นหลายอย่างมากเราคงไม่เคยเป็นไม่อยากอยู่นั่นนี่ไหแต่งนี้ก็เรียกว่าไปมองโลกและชีวิตตามใจที่เราอยากให้มันเป็นไม่ได้มองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นยยกก็มองมันเป็นอย่างไรก็ให้มองอย่างนั้นมองแค่นั้นอย่าไปมองมันแคบกว่านั้นหรือกว้างเลยไปกว่านั้นแต่มองตามที่มันเป็นแม่เป็นอย่างไรก็เข้าใจที่เป็นนะ ว่อ๋ <reg> <h> เป็นแบบนี้เพราะอะไรบางทีเนี่ยไม่ใช่มองแค่ว่าเป็นแค่นั้นเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็รู้ด้วยโอ้โหนยิยอมยอมได้ไหลายมุมเลยอย่างนี้หนึ่งมุมหนึ่งแม่เป็นอย่างนี้แม่มีพฤติกรรมอย่างนี้สภาพจิตใจอย่างนี้ทัศนคความเห็นอย่างนี้รู้ด้วยและที่แม่มีพฤติกรรมอย่างนี้เพราะอะไรมีจิตใจแบบนี้เพราะอะไรมีทัศนคความเห็นนี้เพราะอะไรไปรู้ทั้งเหตุ ปัจใจที่ทําให้แม่มีพฤติกรรมจิตใจและทัศนคความเห็นด้วยโอ้โหนิยมเห็นหลายด้านเลยยมก็มองและเข้าใจทีนี้ถ้าต้องการอยากจะแก้อยากให้แม่มีพฤติกรรมอย่างนี้อยากให้แม่มีสภาพจิตใจอย่างนี้อยากให้แม่มีทัศนะความเห็นอย่างนี้มาอยู่ที่ยมแล้วว่ายมสามารถไหมถ้ายมมีความสามารถเมื่ออมาเนี่ยมองยมเจอปุ๊บออกมา <vic. S 1> ออกมาเข้าใจใช่ไหมว่าโยมมีทัศนคความเห็นแบบนี้มีสภาพจิตใจแบบนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้อมาก็ให้ข้อมูล ที่ความเห็นก่อนเลยว่าเออเนี่ยความเห็นที่ตั้งไว้เนี่ยที่ตั้งไว้ยังไม่ตรงนะปรับได้ไหมบอกไม่ได้มันยากเหลือเกินเนี่ยเยอมว่า <c oughs> ยากมากใช่ไหมฉันบอกมันไม่ยากนะมันแค่ความเห็นนะไม่แค่ทัศนคตินะมนุษย์เนี่ยมันปรับได้ทั้งเยอะแยะหมดจากเด็กๆเราไม่ได้เป็นคนแบบนี้นี่ตอนเป็นหนุ่มสาวก็ไม่เป็นอย่างนี้ ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นนี้แต่ว่าทําไมล่ะเราไปได้เหตุปัจจัยอะไรมาไปได้กระบวนการความคิดอะไรไปได้ให้เหตุปัจจัยให้อาหารอย่างไรความคิดเราถึงเป็นอย่างนี้แล้วสืบไปก็จะรู้ใช่ไหมเหมือนแต่ก่อนโยงแหวนว่าเอสแต่ก่อนโยมแหวนก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เพราะอะไรล่ะถึงมาเป็นอย่างนี้แล้วในปัจจุบันเนี่ยจะให้โยงแหวนกลับไปโกรธไปอาฆาตโกรธคนที่เคยกระทําตนเองมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทําได้ไหม ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเหตุปัจจัยนั้นเราไม่ได้ให้อีกแล้วเอาที่ไปโกรธไปอาฆาตพยพยามบาัดจะไม่เผาผีจะไม่อะไรเลยทำไม่ได้แล้วทําไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วเพราะอะไรสถานการณ์เปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนได้ได้เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนมาหมดเลยกลับไปมองเา้าก็มองเริ่มธรรมดาแล้วพฮ้โกรธที่ทํำไมไม่โกรธอาฆาตที่ไปให้อย่งไรก็ไม่อาฆาตแล้ว พ่ออะไรแต่ก่อนนี่นไม่ได้เลยนะเ จ, จ้ตรงนี้อาคาจะจัดการเลยทำไมแต่เดี๋ยวนี้ทําไมไม่ได้เะพ่ออะไรไ ด, ได้เหตุปัจจัยตัวอื่นมาแล้วมันได้ข้อมูลไม่มีเหตุผลเลยจะต้องไปนั่งอาคาพยาบาทอย่างนั้นแ่จ๋าเจ้าขาเจ้าานแทนยมเสียไหมเจ้าขาาสมมติว่านมาเอาเองินของเขาซึ่งจริงๆพ่อให้เขาอ่ะ แล้วเอาไปให้คนอื่นนะเจ้าค่ะแล้วอย่างเงี้ยะให้มอ ง, งอยังไงนะเจ้าค่ะก็มองอย่างที่เป็นก็มองอย่างนั้นแหละ <laughs> <laughs> ใช่ไหมก็เขาเป็นอย่างนั้นก็รู้ตามที่เขาเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างนี้คือถ้าโยมเตรียมควรจะคิดแล้วว่าโอเคอันนี้ฉันสละให้แม่อนี้อ๋อก่อนจะคิดอย่างนั้นต้องทําความเข้าใจก่อนต้องทําความเข้าใจก่อนคือ คือเราต้องทำการเข้าใจว่ามันเหมือนนะถามว่าเหมือนเงินภาษียากรของประชาชนทั้งประเทศอันนี้พูดภาพกว้างแล้วก็เมื่อปเป็นกองหนึ่งแล้วทีนี้ภาษียากรของประชาชนเราต้องการเราต้องการอยากจะให้ เออเนี่ยเอาเงินภาษีส่วนนี้ไปช่วยเหลือเรื่องทางด้านโรงพยาบาลสมมุตินะแต่ภาครัฐเป็นไม่ทำตามนั้นเขาได้เงินมาแล้วนี่ยเขาโยกงบประมาณตรงนี้เอาไปทำยังอยู่ถาว่าเราเป็นประชาชนเราโกรธไหมโอ้โหโกรธเลยทำไมวะ น่าจะเอาไปช่วยเหลือคนจนช่วยเหลือเรื่องการรักษาพยาบาลทั้งหลายดันโยกงบประมาณนี้ไปลงทุนด้านทางทําถนน้นทางทำมาอะไกกันักันหนาเทราะว่าแต่จริงๆคนคนนั้นเขาทำอย่างนี้เราก็ไม่สามารถไปเอาผิดอะไรต่างๆเขได้แล้วทำยังไงต่อไปเราจะทำยังไงเป็นประชาชนอย่งนี้น ไม่ทําไงทาอะไรไม่ได้แล้วก็ด่าไงใช่ไหมแต่ยาจนได้ช่วยๆไปขาก็ด่ากันจริงไหมก็ด่ากันบ่นกันปะตามภาษาบางทีไปนั่งคุยกันก็บ่นบนพอบ่นระบายเสร็จก็กลับบ้านนอนจริงไหมอ่ามีกรณีมาพูดถึงไรเราเล่นึกเลยพ่อฝากไว้ว่าให้เราแต่แม่ไปทำอย่างอื่ถามว่าแม่ทําผิดเจตนาลมของผู้ให้ใช่ไหมใช่ อย่างนี้เขาเรียกว่าทําผิดเจตนาลงและการทําอย่างนี้ไม่มาขออนุญาตจากเราแม่ทําผิดไหมอะทําผิดทําผิดควรโกรธแม่ไหมไม่ควรนี่ไม่ทำก็เขาให้ให้รู้ก่อนว่าทําผิดแต่ไปโกรธไปโกรธไปโกรธทาไมโกรธไม่ถูกแต่แม่เป็นทําในสิ่งที่ไม่ควรใช่ไหมใช่แต่ก็ให้รู้อย่างนั้นสามารถคุยกับแม่ได้ไหมถ้าคุยได้ก็คุย คือเราสามารถคุยได้จริงๆแล้วก็บอกแม่การกระทำลักษณะอย่างนี้ถ้าแม่จะฟังนะอย่างนี้ก็ยกทำไม่ถูกแต่หนูไม่ได้ไปหยาดได้อะไรหรออย่างนี้ก็จะทำไม่ถูกแต่ถ้าแม่จะทำให้ถูกมีวิธีนะแม่เนะียแม่บอกเออเจี๊ยบเออแม่จอาเงินส่วนนี้ไปทำต้งนะั้นแค่นี้ เองจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่ฉันจะทำแล้วถือว่าบอกแล้วอย่างนี้ก็ยังษ์นักบดีใช่ไหมใช่เราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่แม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไรู้ตามความเปจริงว่าแม่เป็นแบบนี้ก็ไม่ให้โกรธแม่ด้วยโกรธก็เป็นบาปเนย โ, <อ><笑><笑>โกรธความโกรธเวลามันเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนเอ็มไม่ขีดเนี่ยเราไปขีดข้างกล่องมันมันไหมมามันไหมอะไรไม่ขีดไอหัวไม่ขีดฝักไม่ขีดไม้มันมันไหมอะไร มันไม่ตัวมันเองอยู่เวลาความโกรธมันเกิดขึ้นกับเรามันไม่ใครไม่ตัวเรานี่มันไหมตัวเราเองเนี่ยที่ไม่ควรไปโกรธแม่มันเบียดเบียนตัวเราเองก่อนอย่าไปเบียดเบียนแม่ทีหลังสรุปแล้วมันเบียดเบียนทั้งสฝ่ายมัจริงไม่ควรโกรธก่อนมันควรควรคุยกันด้วยปัญญาเนี่ยควรรู้ด้วยปัญญาควรรู้ตามความเป็นจริงแบบนี้แม่เป็นแบบนี้แม่มีอุปนิสัยอย่างนี้เพราะถ้าเราจะคิดคิดเองโดยไม่ต้องถามแม่ แม่อาจจะมองว่าเรามีแล้ววางนั่นเถอะแม่มีเรามีศัลยาภาพหาเงินแค่นี้วางนั้นเราไปทำซะเลยทาอย่างอื่นซะเลยไ ม, ไม่มีศัลยาภาพถึงขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถคิดได้ใช่ไหมละ่ะไอเรื่องคิดมันไม่ยากเลยคิดให้มากกว่านี้ยังได้เลยยังไงคิดให้มากกว่านี้ก็ได้ แม่คงจะคิดว่าอยากจะหาไ้บุญมั้งยังคิดได้เลยแล้วเงินส่วนนี้ไปทำอย่างอื่นไปให้คนอื่นเถอะเลยเราจะได้ได้บุญเราก็คิดได้ถ้าจะคิดเนะี่ยแต่จริงๆจะถูกหรือผิดก็ว่ากันอีกทีแต่จริงๆเรื่องเหล่านี้เราสามารถคุยกับแม่คุยแบบต้องไม่เสียปะยคุยตอนที่เราเราปงพาระได้แล้วแต่ถ้าใจแล้วติดข้องอย่าเพิ่งไปคุยนะแต่ถ้า จิตเราจนว่าเปิดกว้างแล้วโอเคแล้วไม่มีไม่มีอะไรเป็นหนามทิ่มใจเราแล้วคุยเลยบอกแม่เนี่ยเออหนูคิดถึงลูกของหนูนะถ้าเกิดแฟนของหนูฝากเงินไว้ให้ลูกถ้าหนูเอาเงินสำนวนนี้ไปทําอย่างอื่นโดยไม่บอกลูกหนูมองว่ามันเป็นความผิดของหนูในชะ่ไหม Hello. Hello. แต่นี้พูดไม่ได้ตำหนิแม่เลยแต่พูดอยากให้แม่ได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ถ้าหนูคิดไม่เป็นเนี่ยจะเป็นเหตุให้หนูคิดไม่ดีกับแม่แต่วันนี้หนูคิดเป็นแล้วหนูไม่คิดไม่ดีกับแม่เลยและพูดวันนี้ก็ไม่ต้องการเงินก้อนนั้นด้วยนะแม่ <Yeah. S 2> แต่ต้องการให้แม่ได้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้ยมันเป็นได้อย่างไรดีคือ <Yeah. S 2> เหมือนนามาเคยคุยกับโยมท่อ yeah. ยมพ่อบอกว่าเรียนหนังสือไม่ดีสู้ทำงานไม่ได้เรียนหนังสือเรียนเรียนเรียนไปก็ไม่เห็นไปถึงไหนกนเลยนะบางเดกแกก็เลยไม่ค่อยส่งเสริมให้ลูกเรียนยนะเท่าไหร่พออยู่ต่อมามามีจังหวะหลังมาหมเป็นผ้ามาก็คุยกับยมพ่อเนียอมพ่อทัศนคติแบบนี้ผิดพ่อมีความคิดไม่ถูกก็ต <Okay. S 1> <Okay. S 2> ื คุยหลายเรื่องจนแกเข้าใจโอนะ้ไม่ถึงจริงๆนี่ก็เหมือนกันยอมหาจังหวะแต่ยอมต้องปลดล็อกในใจก่อนจนมองเข้าใจตามที่มันเป็นก่อนการไปโกรธมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราและฝ่ายแม่งั้น <c oughs> ถ้างั้นถ้ามององนี้ก็จะเข้าใจเนะี่ย พอมองเห็นนี่ยังจริงๆควรโกรธแม่ใช่ไหมควรโกรธไหมันโกรธไหม <c oughs> นียังอยากโกรธอยู่ก็ไม่ได้ขอสักนิดยังดีใช่ไหมโกรธหงิดโกรธหงิดกับแม่เพราะว่าหนึ่งไม่ได้บอกเราสองเอาไปให้แล้วก็รู้ว่ามันก็ไม่มี ไม่ให้กับคนที่เขาไม่เขาไม่ได้ทางได้กลับคืนมาพมันก็ <c oughs> <c oughs> ทัใจลาบากจะผลินจะทัใจลาบากมากเพราะว่าจริงๆไม่ลาบากเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ลาบากเลยที่ที่ไปลาบากนั้นพยโยมอยากจะติ่งความรู้สึกไม่ดีเขา <c oughs> อย่าเสียดายอย่าเสียดายความรู้สึกที่ไม่ดีถ้าสลับทิ้งได้สลับเลย เพราะมันไม่ได้เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจเลยทของเราต้องกล้าต้องเป็นคนแกล้งกล้ากล้ า, ลาหาญที่ชัสลัดความไม่ดีทิ้งจากความรู้สึกไอ้อตรงนี้ก่อนถ้าโยมต้องการอยากจะพัฒนาไปสู่ปัญญาที่แท้จริงแล้วยมจะได้มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงด้วอย่าเสียดายความเห็นที่มันไม่ได้เกื้อกูลชีวิตจิตใจอย่าไปอาลัยอาวร์มันบางคนนี่รู้สึกอยากจะอาลัยอาวร์ในความรู้สึกที่ไม่ดี แล้วก็เอามากล่อมความรู้สึกตนเองอย่างนั้นเละทําให้รู้สึกว่าจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพอเพอบางคนเนี่ยรู้สึกว่าไอการจมอยู่กับในเรื่องเหล่าเนี้ยมันรู้สึกว่าคนอื่นหรือเราสามารถมีเรื่องไปบอกกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็ได้เห็นใจเราได้โดยซั้งไปอย่าไปอย่าไปจมกับความความคิดตนเองที่นีไ้ไบแล้วก็มาพัฒนาปัญญาขึ้นมาก็ม า, กมารู้พอรู้เบ็เสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะได้ประโยชน์อีกเยอะประโยชน์จากในเรื่องที่เราสามารถที่เมื่อเราแกะปมในใจทิ้งเรื่องเหล่านี้ได้หมดเราได้แสงสว่างเหมือนเหมือนจุดแสงสว่างในที่มืดได้แล้วจุดได้แล้วแล้วก็เปิดของที่ปิดในชะ่หมแล้วก็หายของที่ความแล้วก็จุดประทีปในที่สว่างมันมันสว่างใจเรามันสว่างแลยตอนนี้อย่ากลับไปอย่ากลับไปปิด เดี๋ยกลับไปดับแสงสว่างทิ้งแสงสว่างมันมีค่ามากต่อชีวิตจิตใจมันจะทำให้เราไม่ต้องไปจมอยู่กับความทุกข์เมื่อเราปลดล็อกในใจตรงนี้ได้แล้วทีนี้เรากลับไปมองคุณแม่มั น, มนจะมองแบบเข้าใจอไม่เหมือนเดิมยอมแค่ตรงตอนนี้ยอมกลับไปคิดถึงคุณแม่ยอมไม่เป็นเหมือนเดิมยอมจะมองด้วยความรู้และเข้าใจระดับหนึ่งตามปัญญาที่ยอมรับได้ในขณะนี้ ยมมองกลับไปที่คุณแม่แทนที่จะมาเครียดเลยน้อยเนื้อต่ําใจมันจะหายแล้วตอนนี้พยายามยังไงก็เริ่มยากขึ้นแล้วอยากจะน้อยใจแม่อยากจะขัดเคืองก็เริ่มเริ่มเริ่มทําได้ยากขึ้นนะถ้าตอนนี้นะยกเว้นกลับไปแล้วไปไปไปไปกล่อมความคิดอย่างเดิมกลับมาใหม่อีกมันจะกลับน้อยใจได้อีกแต่มันจะไม่ดุนแรงมากกว่าเดิมแล้วเพราะมันเคยได้รู้แล้ววันนี้พอรัปัญญามันเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้พอได้รู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะกลับไปขัดเคืองอย่างเก่า ให้มันมีรสชาติเท่าเดิมนี่ไม่ได้แล้วเมันไม่ค่อยมันเท่าเดิมแล้วแต่เนี้ยนะครับประเภทที่ว่าปรุงแต่งให้บาปเกิดอย่างเดิมมันเริ่มไม่ค่อยได้แล้วว่าปัญญามันมาทำกิจ ต, ตอนนี้แล้วแล้วย้อนกลับไปนี่ัยพัฒนาตรงนี้เกิดความเข้าใจมากขึ้นพอมองไปดูคุณแม่ปุ๊บมันจะมองแบบเข้าใจอ๋อทำไมแม่แบ่งที่แบบนี้อ๋อก็แม่เป็นแบบนี้ <c oughs> มองตามที่แม่เป็นทําไมแม่เอาเงินของเราในส่วนที่เราควรได้ไปให้คนอื่นไม่ให้ให้คนอื่นยืมอะไรก็แล้วแต่โอ้เริ่มเข้าใจแล้วแม่อาจจะคิดอยากจะได้กาําไรอยากจะได้ทุนอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่โอ้แม่คิดผิดนั่นเองโอ้โหแท้ที่จริงแม่แค่แม่คิษผิ ด, ผดแม่กระทุกของแม่ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว <c oughs> แต่ว่าคนเราเนี่ยเวลาอายุมากแล้วเนี่ยมันบอกไม่ได้อย่า ง, างหนึ่งคือฉันทําผิด ต่อให้ฉันตายฉันก็ไม่พูดคํานี้ใช่ใช่ใช่ฮะบอกว่าผู้ใหญ่ผิดไม่ได้ถ้าฉันผิดแล้วมันหมดเลยนะความความเป็นอัตตาตัวตนของฉันเนี่ยมันพังหมดเลยนะั้นผู้ใหญ่ผิดไม่ได้ยังไงสิ่งที่ฉันทําก็คือผูกฉันคิดถูกแต่ไอคนที่เอาไปต่างหากมันไม่ดีไม่ใช่ฉันไม่ดีเขาใหญ่ยัง ให้เข้าใจแม่อย่างนี้นั้นท่านยืนยันหลักการของท่านอย่างนี้นี่เขาเรียกมองตามที่ที่เป็นแม่เป็นยังไงก็มองอย่างนั้นแม่ไม่ได้คิดที่จะเอาอะไรของเราเด็กกล่าวว่าจะได้กําไรได้ผลกําไรออกมานั่นเองแต่คิดพลาดแต่แม่พูดไม่ได้คเนี้ยเดี๋ยวจะหาว่าไอ้ฉันโง่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรอุดเยอะมากตาไม่อีกเยอะมากนั้นฉันต้องเก่งเสมอฉันต้องแน่เสมอฉันต้องดีเสมอนั้นลูกก็ต้องเข้าใจว่าฉันเป็นแบบนี้ โลกก็ต้องมองฉันเป็นอย่างนี้โลกจะได้ชื่นชมในตัวฉันว่าฉันเก่งฉันดีฉันแน่อะไรก็แล้วแต่เหรนั้นเป็นทิฏฐิของท่านไปแต่เราถ้าพัฒนาปัญญาแล้วเราจะรู้เขาใจะยังเข้าใจท่านพอเข้าใจปุ๊บโยมจะเห็นใจเห็นใจตรงไหนเห็นใจตรงที่แม่ติดกับดักความเห็นออกจากความเห็นตรงนี้ไม่ได้แล้วแม่จมอยู่กับความทุกข์ตลด <c oughs> แม่ไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราเข้าใจมี <c oughs> แม่ต้องต้องถูกความเห็นแบบนี้บงการความคิดแบบเนี้ยบงการกิเลสแบบนี้บงกา ร, ก แ, บบการแม่เป็นธาตุของความคิดเป็นธาตุของกิเลสแล้วจมอยู่กับความคิดจมกับกิเลสตัวนี้พอเรามาแกะแกะองค์ประกอบทั้งหมดเราจึงรู้และเข้าใจเราจึงรักแม่มากขึ้นโอ้โหทํำยังไงเน อ, อยากให้แม่ออกจากความเห็นตรงนี้ได้แต่ศักยภาพเรายังไม่ถึงเดี๋ยวตัวเราก็ยังจะไม่ค่อยรอดอยู่ใช่ไหเข้าใจยังเทงนี้ยเริ่มเห็นนี่ยัง เราก็จะได้เข้าใจแม่โอ้ไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องความเห็นแม่ติดความเห็นแม่คิดว่าความเห็นเหล่านี้มันถูกต้องดีนะแม่จึงทําตามความเห็นนี้พอทําไปแล้วพลาดแล้วไม่ก ล, าล้ารับผิดชอบปัดความรับผิดชมใช่เลยใช่เลยเจ๊ไ้ไมล่ะเาปัดความรับผิดชอบเราเราพัฒนาปัญญาเรารู้แล้วทีนี้โอเข้าใจคุณแม่ถ้าเข้าใจแล้วรักแม่มากขึ้นไหม สงสารท่านไงท่านอยู่กับความเห็นท่านไม่สามารถอยู่กับความจริงได้แล้วน่าสงสารตรงนี้ไงแต่เราเราไม่อยู่กับความเห็นอีกแล้วแต่ก่อนเราก็อยู่ความเห็นใช่ไหมตอนนี้เราเรามาอยู่กับความจริงรู้ความจริงเข้าใจความจริงตรงนี้แล้วแล้วก็สงสารแน่ใจเพราะว่าคนที่อยู่กับความเห็นและความเห็นที่เจ็บปวดมันทรมานขนาดไหนยังก็รู้ ท่านถูกความเห็นตอกย้ำตัวเองตลอดอเราเอาเงินของลูกไปลงทุนไปให้คนนั้นผิดพลาดคืนก็ไม่ได้ทุกใจเหลือเกินเราให้ที่กับลูกคนนี้ลูกคนนี้ก็คิดกับเราไม่ดีทุกใจเหลือเกินแต่ทําไปแล้วเรากลับคืนไม่ได้ท่านทุกไหมท่านทุกมากแต่ยอมรับตัวเองไม่ได้ไบางที่เราก็อยากจะเขาแค่ พูดนิดนึงว่าผิดไปแล้วไอ้ความอย่างของเราเนี่ยเลิกคิดไอ้กวามเหมือนอย่างเงี้ยไอ้เราก็ไม่ไม่ย่อยนะแบบนี้ใช่้หมล่ะไอ้ควาเหมือนของเราไม่ธรรมดาเมื่อกี้พยายามจะแค่แก่เกาให้ท่านทุกข์ให้ท่านยอมจำนนเราให้ได้คือคล้ายๆว่าท่านหลังพิงฝาแล้วพยายามยังจะพยายามเข้าไปทําให้ท่านยอมจำนนให้ท่านให้ท่านมีพื้นที่ได้เดินบ้าง ขใจยงอย่าลุกท่านจนจนกระดานียองก็ไม่ธรรมดานะเข้ใจยังไม่รู้ไม่รแม่ลรกแโลกก็ไม่รู้ร้ายแต่กันตอกันใช่่ตอนนี้รู้เข้าใจท่านแล้วจริงจริงท่านจมอยู่กับความทุกข์จริงเมื่อจนจมอยู่กับความทุกข์ เราอย่าทำเพียงก็บอกแมนะ่แม่อย่าอย่ากังวลเรื่องที่อย่ากังวลเลย่องอะไรซะเลยหนูไม่หนูไม่ติดข้องเลยแม่ถ้ายิ่งพูดอย่างนี้นะท่านยิ่งทุกข์ใหญ่ <c oughs> เข้าใจยังเ <c oughs> นี่ยยิ่งทุกข์ที่ยิ่งไปพูดอย่างเนี้ยนอนร้องไห้คนเดียวได้แต่จะไม่ร้องไห้ใครเห็นคนแบบนี้อ้าวแล้วควรจะพูดไง พูดมุมอื่นครับพูหมุมอื่นมแม่แต่ก่อนหนูไม่เคยเข้าใจนะมาระยะหลังหนูเริ่มศึกษาธรรมะเริ่มเข้าใจละเยอะขึ้นแล้วแต่ก่อนหนูขัดเครื่องแม่อย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หนูไม่เคยขัดเครื่องแม่เลยแต่อย่าเพิ่งไปคุยเรื่องปมด้อยละไอ้สองปองมนี่ใหญ่มาปมเรื่องที่ยี่สิบไร่กับปมเรื่องเงิงใหญ่มากแม่พ่อไม่พี่ผู้จารย์บอกอะโยมไม่จะเอาแอนจูโฉงเลย เขาใจยังเพราะว่าจูดจมไปทำให้เขาจนกระดานไม่เอาไม่โอยอย่างนี้เป็นความคิดที่ไรกรุณานี่ไรกรุณาพอเห็นคนจะพลาดไม่ได้เลยตรงนี้คือถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็คุยเรื่องอืน่นแล้วก็ทำไมแม่ถึงไม่ค่อยอยากขึ้น เปิดประเด็นให้ดูแม่เห็นเราทีไรแม่ผิดทุกครั้งมแม่ไม่อยากเอามาหาต้องเข้าใจนั่นเหมือนว่าแม่ทำผิดกับเรามากท่านนอนร้องไห้นอนร้องไห้ทุกแต่พูดไม่ได้ว่าท่านผิดต้องเข้าใจท่้เหตุไม่ได้หเห็นนะทุก แค่คิดถึงเราก็ทุกพยายามทุกอย่างไม่อยากจะคิดถึงเราเพราะว่ามันทำไปแล้วแล้วกลับก็น่าเกลียดผู้ใหญ่พูดกลับไปแบบนั้นนั่นแหะจริงๆแล้วแม่จยมอยู่กับความทุกข์มากต้องเข้าใจก่อนนะนี่มีประเด็นที่ไหนฉันต้งบอกว่าศักยภาพโยมพอไหมพอต่อการที่จะรู้ปัญหาของแม่ไหมถ้ายอมเขี่ยประเด็นไม่ได้ทั้งหมดโยมจะไม่รู้หรอกว่าแม่มีปัญหาเยเยอะ ทั้งเจอโยมคนหนึ่งห <c oughs> ลุดปากไล่ลูกออกจากบาแล้วก็คือไม่พอใจที่ลูกไปมีภรรยาที่ตนเองไม่ชอบให้ให้ให้ลูกทิ้งเมียคนนี้ <c oughs> ลูกก็มาปรึกษาจะบ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องทิ้ง <c oughs> มีลูกได้กันเราไปทิ้งได้ัง แต่นี้พ่อแม่ก็ไม่ให้เข้าบ้านคือพูดไปแล้วอ่ะห้ามเข้าห้ามเหยียบ้านยังถ้าไม่ทิ้งลูกคนไอ้ปากที่พูดไปแล้วแล้วก็บอกทุกคนไปแล้วยังก็บอกให้สองสามีภรรยาทําดีตลอเชื่อไหมว่าคนคนนี้ยไม่ให้ลูกเข้าบ้านยันทุกวันมันกลับคําไม่ได้ อันพูดครับเอออันนี้หนักกว่ายอมอีกดังนั้นรายละเอียดยังไม่ต้องพูดแต่ว่าต้องการให้ชี้ประเด็นตรงนี้ยอมว่าประเด็นอย่างกรณีแล้วเขาบอกว่าถ้าโยมอยากจะมาปีละสองครั้งสามครั้งนี่ยม่จะทุกวิธีการที่โยมคนบอกกับแม่พูดแม่สิ่งที่หนูปรารถนา <c oughs> ก็คืออยากได้มีโอกาสดูแลแม่บ้าง แม่อาจจะไม่ปราถนาเพราะเขาทุกข์ฉันไม่ให้อะไรคุณเลยเขาคิดอย่างนั้นแล้วยังคนคนนี้เขาพยายามจะมาอะไรกับฉัน <c oughs> เข้าใจยังเข้าทุกข์ไหมเราบอกว่าแม่สิ่งที่แม่ให้หนูแล้วมีค่าที่สุดคือชีวิตซึ่งมันมีค่ามากกว่าทุกอย่างย้ําคํานี้บอยๆแล้วแม่จะเชื่ อย่างอื่นไม่ได้มีค่าสำหรับแต่ยอมต้องเข้าใจตรงนี้จริงๆนะไม่ใช่เสแสร้งแกล้งพูดนะฮะ<ช>ทั้งนั้นเดี๋ยวจะหลุดออกมาเด <c oughs> ี๋ยวจะหลุดคําพูดที่แม่ให้ที่ให้ทางเขาเองเนี่ย <c oughs> <c oughs> แม่ต้องยอมต้องไปคิดจนตบผลจริงๆว่าชีวิตมันมีค่ากว่าเงิน <c oughs> มีค่ากว่าทรัพย์นะชีวิตมันมีค่ากว่าและมากไปกว่านั้นบุญเนี่ยมันมีค่ากว่าชีวิต ใช่กุศลมีค่ามากกว่าชีวิตปัญญามีค่ามากกว่าชีวิตเพราะชีวิตที่จะดําเนินได้อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันคือปัญญาใช่ไหมมันคือกุศลมันคือบุญตัวนี้อันนี้มีค่ามากกว่ามันจะมีว่าเอาทรัพย์ญาติอวัยวะชีวิตเห็นไหมมันเรียงลําดับอย่างนี้ทรัพย์มีภายนอกญาติอา่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามันมันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์แต่เอา ญาติก็ยังมาดูอวัยวะเฮ้ยอวัยวะกักสําคัญกว่าในบรรดาอวัยวะเนี่ยถ้าจะตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตย่อตัดไปเถอะแต่ชีวิตมันสำคัญกว่าใช่ไหมแต่ถ้าจะอะไรสําคัญกว่าชีวิต่ะธรรมะปัญญาเป็นต้นกุศลเป็นต้น <c oughs> เพราะการที่เราได้ทราบก็ดีได้ญาติก็ดีได้ญาติที่ดีก็ดีได้อวัยวะที่สมบูรณ์ได้ชีวิตที่ดีมันมาจากกุศลมันมาจากปัญญามันอยากมาจากกุศลใช่ไหมดังนั้นกุศลที่สําคัญสุด ถ้ายอมเรียงลําดับนี้เป็นยอมจะได้เห็นค่าว่ากุศลสําคัญที่สุดปัญญาสําคัญที่สุดเป็นต้นสิ่งประมาที่ปัญญานี่คือปัญญาสาคัญกว่าชีวิตอะไรทตเนี้ยพอเราพัฒนาเราแม่ให้ชีวิตเมื่อเรามีชีวิตเรามาพัฒนาต่อเราได้ปัญญาในการรักษาชีวิตแล้วก็บอกแม่ชีวิตสําคัญสุดโดยเฉพาะที่สําคัญกว่าชีวิตคือปัญญาที่ได้มาจากคําสอน ที่ทำให้ดาเนินชีวิตได้ถูกต้องอันนี้สำคัญที่สุดเราบอกแม่แม่หนูไม่ได้คิดเรื่องอื่นสำคัญเลยแต่ชีวิตที่แม่ให้มาสำคัญที่สุดโดยเฉพาะชีวิตที่ดาเนินไปตามธรรมะยิ่งชีวิตที่สำคัญที่สุดด้วยชีวิตที่มีปัญญานำเป็นชีวิตที่สำคัญที่สุดด้วยฉะนั้นแม่อยากขังวนที่หนูได้ชีวิตมาเพราะแม่หนูก็อยากมา หนูรู้คุณไงรู้คุณของคนที่ให้ชีวิตหนูก็อยากจะตอบแทนคุณของคนที่ให้ชีวิตหนูแม่อยากอยากห้ามตรงนี้หนูได้ไหมและแม่อย่าได้ทุกข์ใจหนูไม่ได้คิดเรื่องอื่นหนูคิดว่าคนคนนี้ให้ชีวิตหนูคือแม่และหนูต้องการมาตอบแทนบุคคลที่ให้ชีวิตหนูมาแม่อย่าขัดขวางตรงนี้ได้ไหมขัดขวางเรื่องอื่นได้แต่เรื่องนี้ให้หนูได้ทาเถอะทีนี้ ถ้านหนูมาทำแม่จะโกรธจะน้อยใจหนูไม่ว่าหรอหนูจะดีใจในสิ่งที่หนูได้ทำแล้วหนูมาแลยวหนูก็กลับแต่แก็หนูมีศรกยาภาพหนูก็มาเรื่อยๆอย่างนี้แม่โอเคไหม <c oughs> แค่นี้แม่ก็จะโอเคอย่าเพิ่งไปแตะเลยนะจนโยมรอบรู้มากกว่านี้ได้ข้อมูลมากกว่านี้ค่นี้โยมก็สามารถจะค่อยพูดเรื่องนั้น แล้วสักวันหนึ่งท้าแม่อยู่ในสถานการณ์นั้นโดยเสดเรารค่อยบอกวนะ่บอกแม่จะหนูไม่ได้กังวลเมื่องซัดเลยหนูไม่ได้กังวลเรื่องที่เลยแต่ก่อนหน้านั้นหนูอาจจะพูดอันนั้นเป็นอดีตแล้วแม่แต่วันนี้หนูเป็นคนเข้มแข็งด้วยปัญญาด้วยข้อมูลด้วยธรรมะแม่จะชื่นใจแม่จะไม่ แม่อย่าคิดว่าสิ่งที่แม่ทำมันเป็นความผิดมันจะเป็นบวมได้งนีอมันเพียงแค่ว่าทำไปในข้อมูลในสถานการณ์นั้นนั้นแล้วคิดว่ามันจะดีแต่มันอาจจะมีอะไรมาทำให้ันตบวนการเปลี่ยนแปลงมันเลยไม่เป็นไปอย่างที่แม่คาดหวงังเรื่องความสมหวังผิดหวังเป็นธรรมดาของโลกนี่เป็นโลกกระทำใช่สมหวังผิดหวังสุขทุก ดีใจเสียใจใช่ไหมได้ลาเสือไหมเนื่อโอกระทับเป็นความจริงนี่มนุษย์ต้องเจออยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าไปอ่อนแอับมันไม่เข้มแข็งต่อสิ่งเหล่า น, นี้เรากลายเป็นคนพ่าแพ้หนูจะไม่พ่ายแพ้สิ่งหนูจะเข้มแข็งรักแม่ไงหนูต้องเป็นแบบนี้พ <c oughs> อใหญ่ยังพอจะโอเคมั้ย <c oughs> <c oughs> ยากไหมยยากมากยากทุกอย่างพยายามทีใจแบบไม่น้อยใจไม่คื อ, อคไม่ต้องไปพยายาม เ, เพียงพัฒนาข้อมูลความรู้มันเป็นจริงแค่ไหนก็รู้ตามนั้นแค่นั้นแหละอย่าพยายามฉันจะไม่น้อยใจฉันไม่ไม่ต้องไปพยายามเพียงพัฒนามันได้ข้อมูลความรู้จริงๆ ได้องค์ประกอบให้ครบรอบด้านเมื่อเราเข้าใจแม่ทุกส่วนหรืออย่างเนี้ยอย่างที่ฉันเคยสื่อไปแค่เนี้ยเพียงรู้แค่เนี้ยเมื่อรู้เข้าใจเสร็เสร็จแล้วยอมจะโกรธแม่ก็ไม่เป็นคอยรู้จริงๆนะแต่ถ้าไปโกรธแบบไม่รู้อย่างที่ผ่านมารู้นิดรู้มุมเดียวรู้แค่สองมุมแล้วรีบโกรธไปแล้วนี่เขารีบไปหน่อยให้รู้ให้รอบด้านก่อน รู้อะไรเป็นอะไรรู้ทุกขั้นตอนก่อนจะโกรธไม่ว่าใช่ไหมเพราะปัญญามันเข้าไปรู้องค์ประกอบทั้งหมดลแล้วเราจะได้เห็ น, นว่อ๋อเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็พัฒนาตัวเราอยู่ว่าอ๋อทั้งหมดอย่ง น, นี้ที่ผ่านมาเพราะเรารู้ไม่ครบรู้มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็รู้ตามความความเห็นของเราว่าควรจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ควรเป็นอย่างนีน้ก็อย่างที่พูดแต่ที่แรก เข พ, พูดว่าเออมันเป็นสมบัติของแม่โอเคแต่ถ้าเป็นส่วนที่เราจะได้แม่เอาไปให้คนอื่นเราไม่โอเคองเงี้ยทีนี้เราก็บอกอ๋อไอ้นี่มันเกิดมันเป็นเรื่องการผิดพาลาดที่หนึ่งเราก็จะได้ความขออย่างเดียวตรงนี้ยอมเอาเป็นบทเรียนว่าอย่าทําสิ่งแบบนี้ให้กับลูกอันสําคัญที่สุดเพราะว่าไม่ใช่ว่าได้บทเรียนแบบนี้แล้วเรายังไปทําสิ่งผิดพลาดให้ลูกอีกถ้าลูกคิดไม่ได้อย่างเราหรือไม่เจอข้อมูล ไม่เจอใครแนะนำอย่างนี้อะลูกจะเป็นยังไงลูกก็มีอาการติดืจก็บอกว่าเวลาจะให้ข้อมูลจากลูกก็ให้ตรงๆกันลูกเนี่ยจริงๆแล้วยายจะนิ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะเราไม่ควรไปกดยาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบอกให้ใครให้ทั้งหมดลูกเขจะได้เข้าใจาวันใดวันหนึ่งแม่ทําอะไรไปขึ้นมาลูกอาจจะรู้องค์ประกอบไม่ครบเดี๋ยวลูกก็จะมากดแม่เพราะมันมีรายละเอียดเยอะในกระแสชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทีแม่รู้อย่างนี้เข้าใจเรื่องนี้มาเพราะอะไรก็เพราะอ๋อได้ปัญญาได้ปัญญาได้ข้อมูลในความนี้ที่ถูกต้องมุมได้มุมหนึ่งมันก็มันก็จุดแสงสว่างอย่ใช่ไหมเพราะจุดแสงสว่างมาในความเครียดมันหายไหมความกลุ้มมันหายแต่สิ่งหนึ่งที่โยมจะทําได้ยากที่สุดก็คืออย่างยกว่ายอมจะไม่รู้สึกว่ามันยาก ที่จริงเนี่ยมันมองได้ทั้งวันแท้ทจริงการที่จะไปโกรธการที่จะไปโกรธเป็นน้อยใจแม่เป็นน้อยใจผู้มีอุปการะคุณเนี่ยถ้าในทัศนะของฉันเองฉันบอกมันยากใช่ไหมการทําอย่างนยากมากแต่เรื่องของยอมยอมว่า ง, ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าจะออกจากความเห็นออกจากความไม่โกรธแม่ไม่โกรธผู้มีอุปการะคุณเนี่ยฉันบอกมันง่ายแต่ยอมบอกมันยากเรื่องมองเห็นไหม อะไรอะไรมันมันเป็นความต่างกันอะไรมีความต่างกันคนบางคนทำไมออกจากความโกรธยากออกจากความความโกรธความน้อยเนื้อทำใจายากโยแมแหวนว่าอะไรแต่บางคนทำไมถึงจะไปโกรธคนเนี่ยยากแต่ออกจากความโกรธมันง่ายอา้าวมันเพราะอะไรทำไมามนุษย์มิมันต่างกันตรงนี้เพราะอะไรที่ถเราไปยึดความเห็นถ้าเรารู้องค์ประกอบทั้งหมดนี้ รู้บรรดากระแสชีวิตทั้งหมดทั้งตัวเขาและเราเราจะไม่อยากโกรธใครเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย <c oughs> ทั้งประโยชน์ตนเองประโยชน์บุคคลอื่นประโยชน์ส่วนรวมมันไม่ได้เลยแล้วมันไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำนักเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อความวทุกข์นะมันเป็นไปเพื่อการจมอยู่ในสังสารวัฏจมอยู่ในความคิด ไดยวฉาจมอยู่ในวัตตะวัตฏะคือความคิดที่มันวนอยู่นั่นเองมันไม่ได้เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจอะไรเลยมันทำลายตัวเองแท้ๆนี่พอรู้องค์ประกอบนี้ทั้งหมดจึงไม่อยากโกรธใครจึงไม่อยากน้อยเนื้อต่ำใจจึงไม่อยากจมอยู่กับความคิดแบบนี้จะเป็นอย่างนี้นมันจะเป็นอย่างนี้มนุษย์ที่มันต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงที่ว่าบางคนบอกว่าอย่างเช่นว่า ฉันฉันไม่โกรธทุกคนได้นะแต่ยกเว้นคนนี้ได้ไหมเคยเป็นไหมล้ะทุกคนในโลกเลยฉันให้อภัยได้หมดแต่เหลือคนเดียวนี่เคยเป็นหมล่ะเคยหรือไม่เคยถามที่โบเคยไหมเหมือนเราเหมือนเราตั้งตั้งคอเขาเรียกวางอตั้งคงไว้คนนี้ปล่อยไม่ได้เขาทำไลฟ์ปุ๊บอือก็อัตโมติ ทีนี้จริงๆที่เราไปตั้งไว้อย่างนี้เราไปปรุงแต่งอะไรลักษณะแท้ที่จริงเราไปให้อาหารความคิดว่าทุกคนชั้นอภัยให้หมดยกเว้นคนมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอาพอสอนให้เมตตาแกบอกโอ้แกก็เจอเลยเมตตาเข้ามาบอกพระอาจารย์เข า, ม า, า, า, า, เ, ขาเมตตาได้ทุกคนขอสักคนนึงเอาเรืมา ไอ้ไม่ตาให้ไม่ได้อจริงๆด้วะมันเหลือเกินจริงๆมันยอมพีิยิงอย่างมันเมตตาไม่ได้อยู่ค น, น <c oughs> เดียวก็อ้ไหมมันคล้ายๆมันล็อกความหย่งว่าคนนี้ฉันทําเหมือนยอมบอกว่ามันยาก <c oughs> <ๆ S 1> ยอมพูดใหม่ซิมันไม่ได้ยากอะไรเลย <c oughs> ใช่ไหมเหมื <c oughs> อนยมเดินทางแล้วโยมไม่รู้ โหยากมากเลยมาตรงนี้หลงทางทุกปีสมอแต่ถ้ายอมรู้องค์ประกอบทั้งหมดรู้ทางผิดทางถูกรู้เส้นทางรู้รายละเอียดยากไหมขึ้นอยู่ที่รู้หรือไม่รู้นี่เหมือนกันถ้ายอมรู้แล้วมันศึกษาได้ไม่ยากรู้ทั้งหมดพอรู้เบ็เสร็จปุ๊บเนี่ยยอมคิดถึงแม่มาเลยไม่ขัดเทือง ไปมองหนะ้าเห็นท่านขัดเครืองยังไงท่านแสดงการยังไงมันจะไม่เป็นเลยนะมันจะรู้สึกเออโอ้แม่เป็นอย่างนี้โอ้แม่มีปฏิกิริยาอย่างนี้มแม่ไม่อยากเห็นเราแม่ไม่อยากคิดถึงเราโอ้เพราแม่มันมั น, มนทิ่มใจแม่นี่เองโอ้แม่น่าคารุณาน่อยากให้แม่ออกจากตรง น, นี้มันกลับจะกลายเป็นกรุณาทา่านอีก<ต>ใช่ไหมตอนนี้ยอมคิดอย่างงี้ยอมกรุณาท่านไหมกรุณาหรือไม่กรุณา ได้บ้านแค่นี้ได้นอนได้ได้เข้าใจเข้าใจเลยเพราะว่าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเขาจะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เที่ยบกลับมาเนี่ยแม่นะธรรมดากินได้นอนหลับกลับมานี่นอนไม่หลับเเาป็น่ตงปกติเขาเขาเราก็บอกโอ้กลับมาแทนที่แม่จะดีใจกลายเป็นแแม่บอกแม่นอนไม่หลับมันทําให้แม่ถูกใจมมันไ่ทุกใจก็ไม่ทุกได้ยังไงยอมมันเหมือนยอมมา ลบกเขาจนกระดานแล้วเขาจะอยู่อย่างนี้นก่อนก็ทำอะไรเข้าไปเขาไม่ต้องคิดอะไรเลยเขาก็ทำทำไปแต่ตอนนี้พอกลับมามากุ้ใช่ที่ท่านพูจริงๆเริ่มรักแม่มากขึ้นแะต่รัเนอสงสารแม่มั้แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นที่เรา เ, เป็นที่แม่ท่านไปวางกับดักท่ทานเองแล้วท่านออกจากกับดักนั้น พอเห็นไอ้ตัวกำดักนี่ที่ไรแล้วท่านเป็นทุกข์ท่านก็ดิ้นพ่านนอนไม่หับทุกข์ใจมากเวลาหนหน้าโยกย้ายทุกข์ใจมากความผิดน่มันามในใจตลอเนาะเราก็ยังพยายามอยากจะตบไปเลยมทาจะตบที่นั่งอยู่แล้วทนจะนอนไม่ได้อยู่แล้วพยายามท่านสริงๆเราหน้าเดิน แม่แอยู่รักแม่นะท่านก็จะรู้แล้วว่ารักจะมาเยี่ยมบ่อยได้ไหมเข้าใจยังบางทีท่านไม่เห็นท่านยังพอยังพอทําใจได้บ้างเห็นที่อะไรทุกทียิ่งยิ่งไปพูดยิ่งเราพยายามอยากจะให้ท่านพูดอยู่นั่นแหละดูทีนี้ไม่รู้ใครใจดําก็ไม่รู้ใช่เรอยากจะให้ท่านบอกว่า พอแล้วไม่ต้องไปคิดมันเหมือนเดียวโหจะให้ท่านยอมจำนนได้ไหมใอยาให้แปดสิบเท่าไหร่แล้วแปดสิบเท่าไหร่แล้วเยอะเจำนนไม่ได้ต้องตายไปกระท่านำต่นนั้น <c oughs> ผู้ใหญ่ผิดไม่ได้ยอมนอนร้องไห้คนเดียวดีกว่าจะมาเปิดเผยว่าสิ่งที่ท่านทำไปมันผิด <c oughs> แต่เราจะเป็นอย่างนั้นนไอย่าเป็นผู้ใหญ่อย่างนั้นเด็ดขาดไนมะ่ยอมเล่นนะห้าม <c oughs> เนี่ยคนที่มีกำลังของทิฏฐิแรงแรงจะเป็นอย่างนี้ทุกคนวงเล็บไว้เลยนะทุกคนจมอยู่กับความอย่างนี้ทุกคนเป็นโดยเฉพาะใครที่ไปเป็นผู้นาถูกย่อมๆอะไรเยอะๆก็จะเ้นอย่างนี้เราก็เห็นหน้าก็ไม่กล้าพูดความจริงตามความเห็นเข้าไป ส่งเสริมให้เขาฝังแน่นกับความเห็นโดยนี่ไม่ถูกเห็นเห็นแบบนี้เยอะฉันเข้าใจเลยเข้าใจแต่ว่าบุคคลเหล่า น, นี้ต้องให้ไม่ใช่ต้องนะเมื่อเขาเจอความเจ็บปวดมากที่สุดและเขาได้ที่พึ่งไปหาบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขาชี้ทางเขาได้แล้วเขาจะออกได้ มันยมเนี่ยถ้าไม่มีใครชี้ตรงๆเนี่ยยอมจะออกไม่ได้แล้วยอมก็จะอธิษฐานไะ <c oughs> กราบผ้าไหว้พ้ายอมก็อธิษฐานขอให้แม่เป็นอย่างนั้นขอให้แม่เป็นอย่างนี้ขอให้เราเจออะไรเงี้ยขอไปเรื่อยๆได้ไหมมันปัญญาต่างหากที่คือทําให้ยอมได้ข้อมูลความจริงและปฏิบัติสตามนี่ถูก ถ้ยมก็จะเข้าใจโอ้เนี่เนี่ยทุกข์มากเราจะของที่โยมซื้อไปให้ทุกทกมาเห็นของเห็นโยมเนี่ยเข้าใจไหมเห็นของก็เห็นโยมอยู่ว่าจะเห็นโยมเอยแค่เห็นของ mm. เห็นโย ฉันทําไม่ดีกับเขาเข า, เขาทำไมมาทำดีกับฉันเร mm hmm. าตองคิดเจ็บปวดไหมแม่เนี่ยไม่ใช่หราแม่แนมะ่เนี่ยก็ทุกแม่ก็เจ็บัวเขาาความเป็นแม่ก็ยิ่งคิดเยอะ mm hmm. แต่โยมมีหน้าที่บอกว่าชีวิตมันสําคัญกว่าทรัพย์โยมต้องไปชี้ประเด็นนี้ให้แม่เข้าใจมีน้องโอ ชีวิตที่แม่ให้มันสําคัญกว่าที่จะอย่างอื่นไม่ได้สำคัญเลยของนอกกายแต่ชีวิตเนี่ยที่ได้มามันมีค่ามากมีค่ามากแม่ให้สิ่งที่มีค่าที่สุดสิ่งนอกกายทั้งหมดเม น, นั้นมันไม่ได้มีค่ากระเจี๊ยบลอกบอกแม่เอาไปเถอะของที่ที่อบซื้อมาแม่อย่าทุกข์ใจอย่าทุกข์ใจเมื่อเห็นหน้าลูก นี่คือชีวิตพี่แม่ให้มันมีค่าที่สุดยอมเห็นว่ามันมีค่าจริงๆริงไหมชีวิตมีค่าไหมมีค่ารึมีค่าเออมีค่ามีค่ามากกว่านายี่สิบไร้ทัมีค่ามากว่ามีค่ามากกวใช่ไหมมีค่ามากกว่าเยอะมากเทียบกันไม่ได้เยอะมั้อ ถ้าเห็นอย่างนี้มันถึงจะมันจะจ ะ, จะเข้ากันบางทีเรื่องนี้บางทียังยังต้องอธิบายให้น้องฟังเนิดนึงบางทีน้องมันคิดว่าแม่เนี่ยที่แบ่งเขาไว้แม่ของเขามันขาดไปทั้งไล่ห น, นึ่งไงเราเรดแล้วการฟังก็ข่อนะนั่นเองเราข่อมแต่ เ, เขาหน้าดำเขาเทียวกันแนละ้วก็คุยกันนะแค่ไล่เดียวยเขาจะวาดวาดใหม่กันอยู่นั่นแหละ ในอะไรก็ถือ ก, กันนกันนะแต่เขาไม่เข้าใจทําไหนเขาต้องเขบอกต้องบอกต้องพยายามบอกพอเขาเข้าใจสักพักนึงบางคนได้แค่พักเดียวนะและ้พักหนึ่งกิเลสของเขากลับมาใหม่เลยอันนี้ผมก็เข้าใจไนดะ้ก็กลับมาเริ่มจะงุดหงิดอีกแล้ว <laughs> เขาต้องอธิบายใหม่ครับค่อยเห็นอ้าวเดี๋ยวกลับมางุดหงิดอีกแล้ว ยมคงไม่เป็นอย่างนั้นมั้ยเป็นเป็นด้วยนยมก็เป็นไม่รู้โยอมเพียเป็นหมดเลยยอมเป็นเป็นได้เป็นพักพักคิดว่าทําใจได้แล้วแล้วก็สักพักก็มาใหม่ก็อยากให้มันมีบทบาทด้วเมื่อเรามาใช้ปัญญาอยู่เหนือเขาแล้วใช้สมาธิอยู่เหนือเขาแล้วใช้ความเพียรอยู่เหนือเขาแล้วใช้สติอยู่เหนือเขาแล้วใช้ความเชื่อมั่นอยู่เหนือเขาแล้วก็อยากให้มันต้มีสติต้องพัฒนากับเร ข้อมูลความรู้ต้องฟังยาอยู่ห่างกาลยานมิตรสำคัญดีเลยคิดไม่ออกก็โทรหายอมบีบอกว่าคิดไม่ออกแล้วที่ฟังมันไม่สกูลเรียกคอยสองคนช่วยมาตลอดใช่ไหมช่วยมาตลอดมากๆเป็นกาลยานมิตรติดแพรทีดสุด โอ้ขนาดช่วยแล้วยังขนาดนี้น <c oughs> ขนาดดีแต่ก่อนนี่แย่กว่า น, นี้โอ้ถ้าไปช่วยนะว <c oughs> ันนี้นะี่ยโอ้ต้องขอบโอ้ดีมีเพื่อนดีมีเพื่อนดีเยถ้าไม่มีเพื่อนดีนี่ ย, ยุ่งเลยค <c oughs> ันจมอยู่นักมากเลย <c oughs> มันมันไม่เห็นไม่เหันจมแล้วจมแล้วแล้วเพื่อนไม่บอกอย่างนี้หรือบอกว่าชีวิตมันมีค่ากว่าอย่างอื่ ก็บอกบอกนะคะแต่ว่าพอฟัง้มันก็แบบจะักก็อ๋อีงี้เดี๋ยวก็จะหลลงอย่างเดิมวังว่าไม่ค่ะหังว่าไม่โอต้องไปฟังหลายรอบรงจริงจริงไม่ด้อั้อนอให้ดิอต้องกลับไปฟังอีกแบบ เพราะทุกครั้งที่ท่านพูดฟังมาเข้าใจแบบใช่เลยใช่เลยแต่บางทีพอกลับไปสักพักแล้วมันก็เรื่อยๆความคิดเก่าๆมันก็กลับมาใหม่แล้วมันแสดงว่าคิดแบบนี้มาเยอะอมันตกผลึกมากนะเป็นห่วงอาการหนักเงิน่อย่างนี้ต้องอะอย่างนี้ต้องให้น้ำเปลือตลอดให้น้ำเปลือยต้องฟองประมาตลอดหยุดฟองไม่ได้ ยึดฝังเลยลกลับเรื่องเก่าอีกโอน่าเป็นห่วงงั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องตนองต้องฝึกเพราะว่าเราเราเราจมอยู่กับเรื่องนี้มานา น, นเกินสิบปีแล้วใช่ไม่ม <c oughs> คิด <50 S 2> แบบนี้คิดแบบนี้เกินสิบปีนั้นยัไม่แปลกใจว่าทาไม <c oughs> มันยึดจิงออกแต่มันยาว ชื่อโด น, นเขาเขาไม่เปลี่ยนเขาไม่แม่ไม่เปลี่ยนไม่มีทางเปลี่ยนได้อยา่างที่ท่านว่าคืออยากจะเปลี่ยนอยากหวังว่าจะเขาจะเปลี่ยนพยายามอยากให้เขาเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ที่อยากไม่ได้อยู่ที่เการอ้อนวอนโห้ถ้าอ้อนวอนได้ฉันอ้อนวอนให้ยมเป็นอย่างที่ฉัน <c oughs> ต้องการฉันไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องอธิบายเลยฉันอ้อนวอนยอมแหวนเป็นอย่างนี้เออยอมเทียบเป็นอย่างนี้ยอมบีก็สบายเลยใช่ไหม ฉันพยายามทำมํำแต่มันไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนแต่มันได้ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ต้องดูจังหวะด้วยบางจังหวะไม่รับข้อมูลปิดสวิทช์หนีเลยพอดีบางจังหวะให้ไม่ได้ทํางให้อีกจังหวะนและจังหวะที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดในยามที่โยมทุกข์มากที่สุดงั้นถ้าโยมเจอปัญหาแล้วทุกข์มากกว่านี้ก็ยิชอบใจเลยทนะีเีย ยังได้ให้ข้อมูลนะ้ใช่ไหมถ้างั้นโอ้ไม่ยอมอย่างนั้นต่อไปให้ยอมเจอทุกมากกว่นี้ไม่ไหวไม่ไหวอยากจะหลุดหลุดหน่อยเหนื่อยยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่ใหทุกมากกว่านี้ยังจะนี้ที่โอ้โหประเภทที่ไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ทุกขนาด อทิ้งทุกอย่างได้เลยมีอะไรทำ <c oughs> ได้ขาวนี้เยอะเลยท <c oughs> ัย้งคนอายุรุ่นรุ่นเดียวกันเลยเจ้าค่ะห่างกัน6เดือนอ๋อปีเดียวกัน<ม>ปีอะไรรุ่นนีปีปี สองศูนสองศูนย์สองสองห้าศูสปิคุนเรียนมาด้วยกันเป็นญาติกันอ๋อเรียนคนละพี่เรียนเดียวคนลชั้นอ๋อไปย้อไปเรียนที่ต่างประเทศใช่จ้าค่ะกมีลูกเป็นผู้หญิงผอยชายผู้ชายจ้าค่ะโตได้ยังยี่สบห้าบวชได้ยังเม่บวชก็พระอาจารย์่ เห็นลูกชายเหมือนยอมไหมความคิดเหมือนยอมด้วยหรือขานจอโอ้ยอมเล่นถ่ายทอดแบบนี้ไว้หัวตันเหมือนกันอ๋อเป็นเงี้ยเลยเปนผู้ชายอ๋อยังไม่เคยบวชเลยเขาอยู่เขากับที่อเมริกาพูดไทยไม่ได้พูดได้ได้บ้างนไม่ค่อยได้ปิดรับปล่อยเ้ว ในอิอสระเหมือนย่อมแหวนก็ปล่อยเพื่อนเรียนความคิดก็เป็นอิสระเต็มที่งา่ายจัดก็ที่จริงมันดีอย่างเสียอย่างใช่จริงสังคมของอเมริกันก็เป็นเด็กเขาก็จะมีความคิดเป็นของตนเองสูง<ช>พึ่งตัวเองได้เรีนยนเต็ม ใ, ในขนาดเดียวกันก็แข็ โอเบขาเขามีกําลังตอนตอนเลี้ยงเขาตอนนั้นเลี้ยงยังไงเป็นคงไม่ได้ให้ข้อมูลเลยตอนเลี้ยงลูกอ่ะเป็นเอาตอนนั้นเลี้ยงที่ไทยหรือไปเลี้ยงที่อเลี้ยงที่อเมริกาตั้งแต่เล็กๆเขาเลี้ยงที่โน้นเลยยังเลี้ยงทุกเหมือนกัน ลูกเขากเกิดที่นู่นลูกลูกโยมมันเกิดเมืองไทยแล้วก็ย้ายไปตอนลูกสาวอายุได้สกักขวบพี่เขาก็เป็นอเมริกันทัพอเมริกันถือสองสัญชาติหรือสัญชาติเดียวถือสองสัญชาติเขามาไทยบ่อยอปีละครั้ง เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเดียวอีกสองวันเขามาเขาเคยเคยคิดอยากให้เขาบวชไม่คิดอะ <c oughs> ไรอย่าง <c oughs> เขาไม่ค่อยมีความรูม้ทางพุทธศาสนาเอามาหาพระอาจารย์ได้นะยว <c oughs> มบอกให้ลูกษาวมามวันนี้เขาบอกว่า ไม่กล้ามาเพาะยังไม่ให้อ่ะนสิ่งที่มาอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรโเคอุ่นใจอ๋อเขาไม่กล้ามันจริงจริงเขาก็เป็นคนดีนะเป็นคนที่จริงๆบางทีข้อมูลเขาควรได้ได้มีได้วิธีคิดต้องค่อยๆ่อยศึ แม่แม่เหมือนว่าเพิ่งิดได้ปะได้เลยที